ติดใจแล้วเป็นข้อความที่ยาวมากเลยเห็นถ้าจะต้องจดเอาไว้เยอะยาวสักหน่อยอยากจะท่องให้ได้แต่ไม่รู้จะท่องได้หรือเปล่ายาวมากแล้วในอัตถกถาก็อธิบายไว้ยาวโอ้โหหลายหน้า น, ะนี่อยู่ในาปาราสริยสูตรปาราสริยเทระคาถาว่าด้วยไม่รักษาอินทรีย์จึงมีโทษ แมอ่านแล้วชอบใจจริงๆครับขอให้ท่านกลับไปอ่านบ้างเม่รู้อ่อ่านหน้าป่าก็ไม่รู้นะคือเรื่องนี้นี่นะครับ <c oughs> ก็พระปาราริยะเทระเนี่ยนะก็เป็นศีติสาวกหนึ่งใน8ปดิเหมือนกัน นะได้ทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนๆทั้งหลายไม่ใช่องเดียวนะได้สั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในภพนั้นๆททำนิสะสมมานานในพุทธ ป, ปาบาทพุทธปาบาทคือในปัจจุบันเนียในปัจจุบันชาติที่สำเร็จเนี่ยนะได้บังเกิดเป็นบุตรของพระมหาศาลกรุงสาวัตถี เมื่อจเจริญวัยก็ได้เรียนปลาเพศนะฮะ <c oughs> แล้วก็วันหนึ่งก็ไปฟังพระผู้มีพระคุทรงแสดงธรรมไปนั่งท้ายสุดเลยนู่นน่ะคล้ายคายนู้นน่ะท้ายสุดเลยนู่นเนื้อท้ายสุดเนีน่นนยบรรเมะ บ, ะบได้บรรลุดีกว่าข้างหน้าก็มีนะออืืมไม่แน่นะ <c oughs> คุณนายผมก็าอาจจะบรรลุก่อนผมก็ได้นะ พระาศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเขาแล้วแสดงอินทริยภาวนาสูตรนี่เป็นอีกสูตรหนึ่งเลยนะเดี๋ยวต้องไปหาอ่านนะเขาได้ฟังแล้วได้ศรัทธาแล้วออกบวชเรียนเอาพระสูตรนั้นแล้วเรียนจริงจังเลยนะคือพระสูตรนั้นเนี่ยหมายความว่าท่านต้อง <c oughs> ท่านต้องขึ้นใจเลยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะท่านต้องขึ้นใจเลยพระสูตรเนี่ยคืออินทริยะภาวนาสูตร เรียนเอาพระสูตรนั้นแล้วคิดเนืองเนืองถึงเนื้อความแห่งพระสูตรนั้นเห็นไหมคิดเนืองเนืองตรึกเนืองเนืองถึงเนื้อความแห่งพระสูตรนั้นก็เนื้อความนี้นั้นจักมีแจ้งเฉพาะในคาถาทั้งหลายโดยประการที่ท่านคิดอยู่เนืองเนืองท่านเมื่อคิดค้นอยู่โดยประการนั้นจึงเริ่มตั้งวิปัสสนาโดยเอาอายตนะเป็นประธาน ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัสตนี่เห็นไหมเราเห็นว่า <c oughs> ท่านเริ่มต้นจากศีล น, นะอินศียสังวรนี่เป็นเรื่องธรรมะที่เป็นขั้นพื้นฐานคือขั้นศีลท่านกล่าวไวในอัธกถาท่านกล่าวไวได้ไพเราะมากว่าความสาคัญของอินรียะสังวรเนี่ยนะท่านกล่าวบอกว่าเ <c oughs> พราะเหตุที่เมื่ออินศียะสังวรสำเร็จศีลทั้งปวงจึงเป็นอันรักษาดีแล้วนี่ตัวอย่าง เพราะฉะนั้นผูดด้ใดมีศีลธรรมดาลแล้วก็ยังไม่มีมีวิรัติศีลก็ดีมีเจตสิกศีลก็ดีนะแต่ไม่มีสังวรศีล ก, ก็ทําให้ศีล น, นั้นเป็นอันว่ารักษาไม่ดีนะเพราะเหตุเมื่ออินทรีย์สังวรสําเร็จศีลทั้งปวงจึงเป็นอันรักษาดีแล้วนี่แสดงความสําคัญของอินทรีย์สังวร น, นะครับ อีกข้อความหนึ่งนะแนทอนักษรคาถาบอกว่าคําว่าชายินโนชาคือตัวชาแน่ น, นะชายินโนได้แก่ผู้มีการเพ่งเป็นปกตินี่ก็มีเพ่งอยู่สองอย่างใช่ไหมชาแนงสองอย่างคงเข้าใจแล้วนะอารามณูกับลัคนูนะพนิชชานชายินโนได้แก่ผู้มีการเพ่งเป็นปกตินี่ท่านอาจารย์ชอบพูดเรื่องเพ่งเนี่ยอธิบายว่าผู้ประกอบด้วยโยนิโสมนัสิการ ถ้าเห็นว่าเรื่องโยนิสวนมนุษการก็คือการปรึกการเพ่งการพิจารณานี่นะครับอินทรีย์ทั้งหลายมีจักษุเป็นต้นคําว่าอินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับอินทรีย์ทั้งหลายมีจักษุเป็นต้นบุคคลใดไม่ปิดด้วยประตูคือสติย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายแก่บุคคลนั้นโดยความเป็นประตูให้บาปประธรรมมีอภิชาเป็นต้น นะท่านเห็นหรือยางครัว่าเนี่ยมีความสําคัญนะเนี่ยมีประตูคือสติเพราะว่าพวก อ, อินทรีย์สังวร น, นี่นะมันต้องใช้สตินะเป็น ส, สติขั้นสังวรด้วยขั้นสติเพราะเหตุที่อินทรียสังวรบริบูรณ์ย่อมทําศีลและสัมปทาให้บริบูรณ์ศีลและสัมปทาบริบูรณย่อมทําสมาธิสัมปทาให้บริบูรณ์ สมาธิสัมปทาบริบูรณ์ย่อมทําปัญญาสัมปทาให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นการรักษาอินทรีย์จึงเป็นมูลลากแห่งการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแท้นี่พูดถึงตามลำดับเลยนะศีล ส, สมาธิปัญญานี่พูดว่าจะต้องมาเป็นตามขั้นตอนอย่างนี้นะไม่ใช่เขาขาดนะอีกข้อความหนึ่งนะหากบุคคลใดไม่ห้ามจากขุนซีคือตาเนี่ยใครไม่สงวนจากขุนศีนะ หากบุคคลใดไม่ห้ามจากขุนศีให้ห้ามด้วยนะให้ห้ามให้ให้ห้ามให้ได้คือดําเนินไปตามชอบใจในรูปรายตระนะที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาปล่อยให้ตาเป็นไปตามปฏิฆนิมิตหรื อ, อสุภนิมิตแล้วก็เป็นผู้ไม่เห็นโทษในการเป็นไปอย่างนั้นคือถ้าหากไม่เห็นอาทีนบ โทษที่เป็นไปในปัจจุบันและเป็นไปในสัมปลายาพบบุคคลใดดำรงในอาการเพีเพยงศักรววะเห็นโดยวิธีที่กล่าวไว้เมื่อเห็นจากเพียงศักระวะเห็นจากขุนรีให้เป็นไปในลูปายตนะด้วยสติสัมปัญญะชื่อว่าเป็นผู้มีปกติเห็นการสลัดออกในลูปายตนะนั้นสลัดออกใช่ไมไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของนั้นปฏิคันิมิตหรือสุพ า, านิมิตนั้น นี่เป็นข้อความที่น่าสนใจนะครับวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ก็เลยเอามาเสนอเพื่อว่าจะได้จุดความสนใจหมอยุพิงคงจะไปหาอ่านนะเนี่ยเลื่อนี้น่าสนใจมากนะครับคงหลายท่านคงไม่อ่านนะครับสูตรนี้ดีมากเลยนี่ผมยังไม่ได้อ่านนะว่าพระปาราศริยะเถระนั้นเนี่ยได้บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยพระองค์ได้ <c oughs> ได้ตัดไว้ด้วยคาถาอย่างไรบ้างเพราะว่ายาวมากนะครับท่านจะวิจารณ์อะไรมังครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องแล้วบอกเรื่องนี้นะไม่ใช่ของพระภิกษุนะแม้แต่คาราวาส ด, ด้วยนะก็สนใจถ้ามีคำว่าคาราวาสก็มาเกี่ยวข้องเพราะปกติเมื่อพูดถึงธรรมะ ม, มักจะเกื้อกูลพระภิกษุซะเยอะนะครับแต่คราวนี้นี่มีคำว่าคาราวาสก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะ หมายความว่าในเรื่อง <c oughs> อินทรีย์สังวรเนี่ยเราเองเนี่แหละนะควรจะต้องสังวรถ้าหากว่าอินทรีย์สังวรศีลไม่มีนะเจตนาศีลเจตสิกศีลวีติกรรมศีลก็คงไ ม, ไม่ไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์ อ, อินทรีย์สังวรศีลเนี่ยอ่า คำพูดว่าอาินจักขุนซีเนี่ยนะสํารวมตาที่จริงตานี่มันเป็นที่อาศัยเกิดของจกักขูวิญญาณเท่านั้นเองนะแต่ตานี้เป็นทาวารเป็นประตูแห่งชววณจิตที่เกิดต่อจากการเห็นหูก็เหมือนกันซึ่งหูเนี่ยโสตะวิญญาณเท่านั้นเองเกิดขึ้น แต่ที่บอกว่ารักษาศีลทางตาหูจมูกเลนกาใจานั้นหมายถึงชวณะนะที่จริงตัวอินทรีย์ทั้งหมดนะทั้งหกเลยเนี่ยเป็นอัพยากะตะธรรมนะตาก็เป็นอัพยากะตะธรรมตานี้ไม่บุญไม่บาปหูก็เป็นอัพยากะตะธรรมหูไม่บุญไม่บาปจมูกก็เป็นอัพยากะตะธรรมไม่บุญไม่บาปิ้นก็เป็นอัพยกตะธรรมไม่ใช่ตัวบุญตัวบาป กายก็เป็นอัพยกตะธรรมไม่ใช่บุญบาปแต่ว่าทั้งห้าอย่างนี้เป็นผลของบุญหรือบาปนะตัวเขาเองนี่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่เขาเป็นผลของบุญของบาปอีกครั้งหนึ่งส่วนใจนั้นได้แก่ผวังผวังพวกนี้ก็คือชาติวิบากเหมือนกันนะเป็นผลเป็นผลแต่และสิ่งเหล่านี้เป็นผล ไม่ใช่ตัวจริงอ่ะนะเป็นเฉพาะเงาเฉยๆแต่ว่าเงาเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เกิดของใหม่ขึ้นอย่างเช่นอาศัยตาการเห็นเนี่ยพอเห็นแล้วคิดอะไรหูได้ยินเสียงแล้วคิดอะไรหรือความคิดนะที่เราคิดอยู่นี้ทั้งหมดนะถ้าหากว่าการเห็นเป็นต้นเนี่ยนะถ้าใจเป็นไปกับโลภะเป็นไปกับโทสะเป็นไปกับโมหะขณะนั้น กุศลละจิตไม่เกิดขณะ น, น, นั้นก็เป็นอากุศลทีนี้อากุศลนั้นโดยมูลโดยรากของอากุศลมีแค่สามตัวเท่านั้นเองมูลรากมีสามอย่างคือหนึ่งโลภะสองโทสะสามโมหะที่เป็นอกุศลเนี่ยที่เป็นรากเง่าของความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมีอยู่สามตัวทีนี้โลภะเนี่ยนะ โลภะอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นถ้ามีการชักชวนกับไม่มีการชักชวนก็เริ่มแตกตัวใช่ไหมอย่างโลภะบางอย่างเกิดเพราะคนแนะนำเขาบอกว่าดีเออเลยดีตามไปด้วยนะอันนี้เรียกว่ามีการชักชวนบางอย่างก็ไม่มีการชักชวนในการชักชวนและไม่ชักชวนนั้นบางอย่างก็ประกอบกับความเห็นผิดบางอย่างก็ไม่ประกอบกับความเห็นผิด ในสิ่งที่ประกอบด้วยความเห็นผิดบางอย่างก็เกิดร่วมกับสุขบางอย่างก็เกิดร่วมกับเฉยมันก็แตกเป็นแดวงในลักษณะนี้นะถ้าเราเข้าใจปั๊บเนี่ยนะมองเห็นปุ๊บเนี่ยโอ้อาศัยการเห็นเป็นปัจจัยให้โลภะเกิดได้ทั้งแดวงเลยถ้าโทสะก็ลักษณะเดียวกันอย่างการเรียนเรื่องเมตตาที่เราเรียนเนี่ยนะอุบายในการระงับความโกรธทั้งหมดเนี่ยนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อชาระอินทรสังวรศีลเท่านั้นเอง ยังไม่ใช่เป็นตัวภาวนาจริงๆนะที่บอกว่าโอ้โทสะมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้ในชั้นนี้ยังอยู่ในประเภทอินทรีสังวรศีลอยู่นะอย่างที่พูดแต่ละวันแต่ละวันส่วนใหญ่เลยนี่ยังอยู่ในประเภทศีลอยู่เลยถ้าจิตเป็นโทสะก็ไม่ใช่ศีนใช่ไหมศี น, นี่เป็นกุศลหรืออกุศลกุศลนะโทสะนี่เป็นอกุศลเมื่อโทสะเป็นอกุศลโทสะไม่ใช่ศีนทั้นแต่คนจะละโทสะได้เนี่ย อาศัยศีลเป็นเครื่องชําระชะล้างโทสะเพราะฉะนั้นอธิศีแลแิกขาชําระโทสะมูลเป็นหลักอธิจิตแต่ศขาชําระโลภะมูลเป็นหลักอธิปัญญาศกขาชําระโมหะมูลเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าโทสะเกิดบ่อยๆก็แสดงว่ากุศลศีลก็ไม่ค่อยเกิดถ้าใจเป็นชวนาะเป็นโลภะเนี่ยนะปาติโมกก็ไม่ใช่ปาติโมกเป็นกุศลหรืออกุศล ก็กุศลอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ถ้าใจเราเป็นบาปอยู่ขนาดนั้นปาติโมกอยู่ไหมปาติโมกก็ไม่อยู่ใช่ไหมถ้าใจเราเป็นบาปพิจารณาอะไรสักอย่างไหมคนโกรธจะไม่พิจารณาเนะอะให้พิจารณาแบบดีๆนะไม่พิจารณาหรอกแต่ว่าอะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์นะโทสะมันจะเล่นไปตรงนั้นแหล ะ, อะไอ้ที่เป็นประโยชน์นี่ไม่เล่นไปหรอกเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมันเกิดร่วมกับโทสะใช่ไหมอวิชชานี่ทําให้ไม่ได้สิ่งที่ควรควรได้ ทำให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้อกุศลไม่น่าได้แต่โทสะเป็นต้นทําให้ได้นกะุศล น, น่าจเจริญมากเห็นแล้วน่าจะคิดเป็นกุศล่ะแต่ไม่คิดอ่ะอันนั่นแหละด้วยอํานาจของโลภะและโทสะโมหะนั่นแหละที่ที่เป็นไปในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมองเห็นปับปสัมมัสสงเคราะห์คําคสอนลงมาพิจารณาบ่อยๆขณะนั้นนั้นสติสัมปชัญญะก็เกิดอย่าลืมนะว่าสตินั้น ท่านอธิบายเหมือนกับเหมือนอะไรนะอุปมาก่อน <Okay. S 1> เหมือนกับเจ้าหน้าที่คลังใช่ไหมเจ้าหน้าที่คลังนี้สามารถว่าเออสิ่งนี้เป็นประโยชน์แก่ออออทรัพย์สินเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะจ่ายไปเท่านี้เหลือเท่านี้นะรายรับรายจ่ายเนี่ยมองเห็นหมดเลยสติก็เหมือนกันสามารถที่จะวิจัยว่าเออนี่สติประทานนะนี่สัมมารประทานนี้อิทธิบาทนี้อินทรีย์นี้พละ นี้โพชงนี้อริยมรตมีองค์แปดนี้สมถะนี้วิปัสนาเออสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์นะใช่ไหมหรือว่าถ้ากุศลเหล่านี้ไม่เกิดเนี่ยทรัพกําลังเสียแล้วนะกะาําลังเรียกว่าคลังนี่ชักจะร่อยร้อลงแนละ้วแต่ต้องกู้อีกแล้วใช่ไหมถ้าถ้าโลภะเป็นต้นเกิดกุศลไม่เกิดก็แสดงว่าทรัพสินในท้องพระคลังเนี่ยหมดและสติเนี่ยเป็นตัววินิจฉัยในลักษณะนั้นอันนี้นัยหนึ่งของคําว่าสติ หรืออีกในหนึ่งสติเหมือนอะไร เ, เหมือนกับปรินายกแก้วนะปรินายกแก้วของพระเจ้าจากักรพรรดิสา ม, มารถคนเนี่ยนะมาเป็นแสนๆเนี่ยปรินายกแก้วสา ม, มารถกำหนดใจได้เลยกลุ่มนี้กบฏกลุ่มนี้พักดีต่อพระราชาจริงๆกลุ่มนี้กบฏจะจัดการยังไงกับพวกกบฏนะกลุ่มนี้พักดีจะให้เข้าเฝ้าได้ยังไงนะ ป, ปรินายกจะจัดการดูแลเรียบร้อยเบ็ดเสร็จ <c oughs> สติก็เหมือนกัน สตินี้วินิจฉัยเลยว่าเออเมื่อเห็นเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ถ้าโลภะเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นไม่เป็นประโยชน์โทสะเกิดขึ้นไม่เป็นประโยชน์ที่ว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แค่ไหนอย่างไรเนี่ยสติวินิจฉัยได้หมดเลยถ้าคนมีสติมีปัญญา ม, มากศึกษามากว้างขวางก็จะวินิจฉัยถึงโทษของการไม่มีสติได้อย่างกว้างขวาง ถ้าคนที่มีความรู้ในเรื่องอันนี้สอของสติเป็นต้นก็จะรู้ว่าอสตินี่มีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะคําสตินี่เป็นเชื่ออีกเชื่อหนึ่งก็เครียกว่าความไม่ประมาทนะังนั้นถ้าคําว่าไม่ประมาทนี้เอาพระไตรปิฎกมาอธิบายทั้งหมดเลยไม่ผิดถ้าพูดคําว่าไม่ประมาทนายกสูตรไหนมาก็ได้ในพระไตรปิฎกไม่มีผิดสักอย่างเพราะว่าธรรมทั้งหมดประชุมอยู่ที่ความไม่ไม่ประมาทนั่นเอง สตินี้เวลาเกิดขึ้นจะวินิจฉัยว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอะไรไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในขณะนั้นๆในอารมณ์นั้นๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องอเมื่อเกี่ยวข้องปับ๊บถ้าเกิดการเห็นถ้าสายใจโดยสีอ น, นั้นโดยความงามเสียหายอะไรบ้างสติวินิจฉัยเลยถ้าหากว่าสายใจโดยหน้ารังเกียจด้วยอำนาจโทสะเนี่ยนะสติก็วินิจฉัยอีกว่าโทษภัยอะไรจะเกิดขึ้นอีกถ้าไม่พิจารณาปล่อยให้โมหะเกิด สังสารวัฏจะเป็นอย่างไรสติจาวินิฉัยหมดเลยอันนี้สติเหมือนกับปรินายกแก้วจะกําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปเมื่อวินิจฉัยว่าเออนี่ไม่เป็นประโยชน์นะไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพจิตของเราเลยในขณะนั้นๆก็จะกําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปรู้ว่าการเช่นว่าสติเนี่ยจะมีอนุภาพมากก็ต่อเมื่อมีความเพีย ความเพียร น, นี่เกื้อกูลต่อสติสติจะวินิจฉัยทำยังไงความเพียรจะเกิดขึ้นก็ส่งเสริมให้เพียรเพียรเพื่อกำจัดบาปกำจัดอกุศลอันนี้สติเหมือนกับปรินายกแก้วนะที่ที่ดูแลหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะสติเหมือนกับเจ้าหนะ้าที่รักษาประตูเหมือนกับยา ยามที่ที่ดูแลนะยามนี่ยามจริงๆนะไม่ใช่ยามสมัครเล่นมาเอารับแข่งเงินเดือน่เฉยๆใครเข้าใครออกไม่รู้สักอย่างไม่ใช่ยามแบบนั้นนะต้องเป็นยามชั้นหนึ่งจริงๆเลยรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่แก่แก่สถานที่ที่ดูแลรักษาอะไรไม่เป็นประโยชน์สติก็เหมือนการเกิดขึ้นมาอะไรเป็นประโยชน์บ้างทีนี้เมื่อเกิดการวินิจฉัยอย่างนี้เข้าจะรู้ว่าอะไรเป็นสปายะและไม่เป็นสปายะแก่จิต อะไรเนี่ยควรเกี่ยวข้องควรเสพควรเจริญหรือไม่เกี่ยวข้องไม่ควรเสพไม่ควรเจริญเมื่อจิตมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์บ่อยๆชาวนาจิตจะเป็นลักษณะใดมากก็จะรู้ได้ยกตัวอย่างเช่นในการเจริญเมตตาเนี่ยน ะ, ะพูดถึงธรรมะที่เป็นอุบายในการทำให้สติเกิดเนี่ยนะคือสติเนี่ยให้มันเกิดเองไม่เกิดแน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้นสตินี่ก็ต้องสตินี่เป็นสังขารธรรม สติเป็นสังขารเกิดจากปัจจัยปัจจัยของสติเลยนะโดยไกลก็คืออุปนิสัยปัจจัยก่อนอุปนิสัยในการสะสมในเรื่องสติมีไหมถ้ามีอุปนิสัยมากการเจริญสติก็เกิดง่ายถ้าอุปนิสัยอ่อนก็จะเกิดยากแต่ถ้าเรารู้ว่าอุปนิสัยในการเจริญสติเราอ่อนทำไงก็ต้องหาอุปนิสัยปัใจจัยให้ ทำอย่างไรเข้าชาวนาจิตเราจะไปซ่องเสพข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสติให้มากๆอันนี้เป็นปัจจัยอันหนึ่งของของสติแต่สติหรือกุศลธรรมนี้มีปัจจัยหลักๆอยู่สองตัวปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดสติก็คือโยนิโสมนัสิการฉลาดคิดนั่นเองเออการฉลาดคิดเรียกว่าโยนิโสมนสิการปัจจัยแห่งสติอย่างที่สองก็คือกัลยาณมิตรหรือปรโตโคสะการฟังเสียงจากที่อื่น คือคนที่สามารถอธิบายคุณโทษของสติให้เราฟังบ่อยๆนะสํานวนเราเรียกว่ากรอกหูจนเรียกว่าจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เรียกว่าได้รับโอวาทอนุสาสนีนะโอวาทเรียกว่าแนะนำข้างเดียวว่างานอนุสาสนีก็ตามสอนนะทั้งโอวาทตามทั้งอนุศาสนีที่พระองค์บอกว่าเราจะจะไม่ทํากับเธอเหมือนกับภาชนะดินที่ยังดิบๆค่อยประคองห แต่พระองค์จะข่มแล้วข่มอีกจะยกแล้วยกอีกว่า ง, งั้นคือจะแนะนําสั่งสอนว่า ง, งั้นสอนจนกว่าเป็นพระโสดาบันเมืนะนะ่อไหร่นั่นแหละที่จริงพระองค์สอนจนถึงเป็นอรหรันต<ๆ>์นั่นแหละจึงเลิกเพระาะฉะนั้นภาษาฤาษีบทเนี่ยถ้าถ้าเป็นสมัยพุทธกาลนะภาษาฤาษีบุทเนี่ยจะมีหน้าที่ปั้นคนให้เป็นพระโสดาบันจะตามแนะนํานะย่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วพระโมคคัลลานะจะทําไม่ได้มรรคผลเมืองสูงเพราะฉะนั้นพระ ภาษาดบด์นี่เป็นเหมือนกับแม่ที่ทให้กําเนิดเกิดขึ้นมามั้นตามโอว่าตามแนะ น, นําสั่งสอนแนะนําทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการเจริญเจริญสติเนยกสติเป็นมานะแต่สติก ร, ร่วมกระจิตได้กี่ดวงนะสติกระร่วมกระจิตได้กี่ดวงอันนี้นะชาติวิบากชาติกิริยาไว้ก่อนนะจงยกไว้เขาว่ามั้นมีแต่ว่าชาติวิบากมันเหมือนเ ง, นเงาเหมือน ขณะหลับก็มีสตินะถ้าจะเอาแบบนั้นแต่ว่าสติแบบนั้นเหมือนเงาและเพราะฉะนั้นวิบากกับกิริยาเอาไว้ก่อนกิริยาจิตก็ของพระารหันนะใครที่มีกิริยาจิตแล้วมีสติประกอบพระารหันเอาไว้กราบเถอะว่ากันไ ม, ไม่ผิดหวังกราบได้เลยถ้าของพวกเราทั้งหลายสติจะเกิดร่วมกับจิต8ดวงได้ฌานนะยังไม่ได้ฌานถ้ายังไม่ได้ฌานก็ฌานยกไว้ก่อนอีกเพราะฉะนั้นสติก็เป็นไปกับร่วมกับจิต8ดวงเมื่อจิต8ปดดวงปุ๊บนี่นะ เจตสิกอื่นๆเกิดร่วมด้วยไหมนะเว้นแต่วีรติกับอปปมัญญาเท่านั้นเองหรือปัญญานะเจตสิกหกดวงบางครั้งก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดตามสมควรแก่อารมณ์นั้นๆนะถ้าอารมณ์บางอย่างเกี่ยวกับวีรติเกิดนะก็วีรติก็จะเกิดถ้าอารมณ์บางอย่างเกี่ยวกับอปปมัญญาเกิดอปปมัญญาจะเกิดถ้าฉลาดก็มีปัญญาประกอบถ้าไม่ฉลาดก็ไม่มีปัญญาประกอบ แต่ที่แน่ๆอัญญสมนาเจตสิกนี้สามารถเกิดได้ทั้ง13ดวงถ้าเป็นประเภทโสมนัสนะถ้าประเภทอุบเบกขาก็ไม่มีปีติแต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีอัญญสมนาทั้ง13ดวงโสภาณาสาธารณะอีก19ดวง13บสบวก19เท่ากับเท่าไหร่อเนาะอู้เยอะจังนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกตัวนั้นเป็นกุศลทั้งหมดเลยแต่ยกสติเป็น เป็นประธานถ้าส ม, มัประธานนะพระผู้มีพระภาคยกวิริยะเป็นประธานอย่างเดียวสี่อย่างถ้า ส, สติประธานยกยกสติเป็นประธานถ้าอิทธิบาทยกฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นประธานนะถ้าอินทรีย์ยกศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นประธานพระละก็เหมือนกันพ่อชองก็ยกองค์ธรรมเจ็ดตัวขึ้นเป็นประธาน อริยมรรคก็ยกมรรคแปดเจตัวเป็นประธานแต่ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นไม่มีนะก็เป็นสัมปยุตธรรมนะใครจะเรียนเรียนเจตสิกมาจะรู้ว่าถ้าเจตสิกดวงนี้เกิดขึ้นอ่ะต้องมีเจตสิกประกอบอย่างน้อยที่สุดกี่ดวงอันนี้โดยหลักธรรมดาทั่วไปนะถ้าเรียนชั้นต้นเลยนะเขาให้ท่องอย่างเดียวว่างั้นแต่คนไม่ท่องง่ายนิดเดียวนะดูบ่อยๆแล้วจาได้งไงดูไม่เลิกกันนะ กลัวไม่ดูดูไม่กลัวไม่เป็นไรถ้าไม่ดูสติก็ไม่เกิดนะสติไม่เกิดอริยทรัพย์ก็ไม่มีอริยทรัพย์ไม่มีก็อย่าบ่นกันแล้วกันนะเพราะว่าเจตนาทั้งหลายเนี่ยนะยุติธรรมเสมอใครคิดให้เป็นบาปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำหน้าที่รักษาเขาเลยนึกถึงที่ที่ในายสัจรรมไม่ใช่ผู้ต่พเรื่องหนึ่งที่บอกว่าพ่อกับลูกเป็นนักกายกรรมใช่ไม อันนี้นพ่อก็ก็เล่นกายกรรมอยู่บนยอดไม้ยอดไผ่นะยาวหกสิบศอกลูกไปอยู่ข้างล่างตะโกนบอกลูกใหญ่เลยลูกเอ้ช่วยดูแลพ่อบ้างนะนะ๋ยพ่อจะช่วยดูแลลูกให้บังนั้นลูกก็ตะโกนขึ้นตอบว่าพ่อดูแลพ่อ น, นั่นแหละผมจะดูแลผมเมื่อผมดูแลผมก็เชื่อว่าดูแลพ่อด้วยเมื่อพ่อดูแลพ่อพ่ อ, พอก็เชื่อว่าดูแลผมด้วยบังนั้นในคำสองคนเนี้ใครกล่าวชอบนะ นะก็บอกว่าลูกเนี่ยกล่าวชอบว่างั้นพระองค์ก็ยกย่องนักสนะนั้นเพราะฉะนั้นใครรักษาใจใครได้ก็เชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยนะเมื่อเรารักษาใจเราก็เชื่อว่ารักษาใจคนอื่นเมื่อคนอื่นเขารักษาใจเขาให้เป็นปายกักุศลเขาก็เชื่อว่ารักษาเราด้วยเหมือนกับว่าการรักษาศีลห้าเนี่ยนะทำไมจึงเป็นบุญมากเพราะหนึ่งเราให้ความปลอดภัยในชีวิตของเขาด้วยเจตนาที่เป็นกุศลของเราเนี่ยหึ เท่ากับเราให้ความปลอดภัยในชีวิตของเขา 2. ให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินของเขาสาให้ความปลอดภัยในบุตรและภรรยาของเขาสให้เขาได้รับคําสัตย์ทําจริงหเราไม่ได้เป็นคนที่ประมาทมัวเมาด้วยการดื่มสุราและเมรัยซึ่งเป็นปัจจัยให้ทําลายทรัพย์สินเ้าเสียหายก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการที่เราสมาทานศินหรักษาศินห้าอย่างดีชื่อว่าดูแลคนอื่นอย่างดีเลยะนะเพราะว่าหาอย่างนี้ ที่จริงคนต้องการมากคือ5สิ่งนี่หนึ่งต้องการปลอดภัยในชีวิตนะเราถ้ามีทรัพย์สินเราก็ต้องการความปลอดภัยในทรัพย์สินมีครอบครัวเป็นต้นเราก็อยากให้ความปลอดภัยแก่ครอบครัวนะเราคุยกับใครเราก็อยากฟังคําสัตย์คําจริงใช่ไหมเราไม่ต้องการฟังคําหยาบเพอเจอร์ cher, สอเสียดเป็นต้นนะแล้วเราต้องการคนเมามาคุยด้วยไหมแหมง่ายคุยด้วยเอาไห ไม่ไม่ต้องการใช่ไหมต้องการคนมีสติเต็มๆคุยกับเราจะได้รู้เรื่องมั้งนั้นนหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราสมาทานรักษาศีลห้านะเราก็ชื่อว่าให้ห้าอย่างเข้าไปเพราะฉะนั้นศีลห้าจึงเป็นอภัยทานนะเป็นกุศลชั้นสูงเป็นกุศลอย่างดีเพราะฉะนั้นในการศึกษาพระธรรมน ะ, ะถ้าเราฉลาดรักษาเราก็ชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วยในยะเดียวกันทีนี้กล่าวถึงว่าถ้าคนอื่นเขาไม่รักษาเขาอะ่ะไม่ต้องห่วงใครที่ไม่รักษาตัวเองนะ กรรมมีผลคำสอนพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเลยกรรมนี้มีผลเสมอชาวนะที่เกิดขึ้นเจตนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วมีผลเสมอโกรธมากๆไม่เป็นไรอ่างนั้นที่อยู่ที่รองรับสำหรับคนมากโกรธก็มีอยู่ไม่ต้องห่วงอย่างนั้นนะตามสมควรแก่โทสานุโทษนั้นนนเออถ้าคิดเป็นบุญมากๆก็มีที่รองรับด้วยน ะ, ะมีมีที่รองรับหมด วิบากกรรมชรูปสำหรับคนโกรธเป็นอย่างไรก็จะมีอีกนะวิบากกรรมชรูปสำหรับคนมีเมตตาจะเป็นอย่างไรก็จะมีอีกเพราะฉะนั้นขอให้คิดเอากันละกันว่าของใครอยากจะสร้างสร้างกรรมชนิดไหนให้แก่ตัวเองก็ได้เราอยากจะให้เราน่าเกลียดที่สุดก็ได้นะก็คือเจริญไอ้โทสะนี่ไว้มากๆๆๆมากๆเข้าเห็นสัตว์เดรัจฉานบางตัวนะ่ยอมแค่เห็นเนี่ยคนเนี่ร้องเลยนะมันหน่าเกลียดขนาดนั้นอนะคิดดู อย่างอย่ ง, อยง่สมมตนคนบางคนเลยนะผิวพันธ์เนี่ยนะมันเป็นแผลเป็นฝีผุพองเนี่ยนะเห็นปับบนี้อู้อยากหลับตาเลยไม่อยากเห็นเลยเนะี่ถามว่านั่นเป็นผลของอะไรไม่ใช่ผลของกุศลแน่นอนนะสิ่งที่น่ารังเกียจน่ากลัวเหล่านั้นไม่ใช่เป็นผลของกุศลอันอสภาพแบบนั้นไปจากไหนก็ไปจากเจตนากรรมนั่นแหละเจตนากรรมนั่นแหละเป็นปัจจยัยเพราะฉะนั้นใครฉลาดคิดมากคนนั้นเป็นกุศลบย ถ้าใครไม่ฉลาดคิดก็อกุศลก็เกิดไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปทำหน้าที่รักษาใครเลยเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมนะถ้าเขาพูดเป็นกุศลกุศลนั่นแหละจะจ่ายเขาสมควรแก่แก่ความคิดนั้นๆของเขาถ้าสิ่งที่เขาทำเขาพูดเป็นอกุศลเขาต้องจ่ายอีกเหมือนกันอย่างเบาที่สุดเลยนะบาปเนี่ยถ้ามันทวงเอาผลก็คือทวงด้วยทรัพย์สินอันนี้ยัางเบาที่สุดเลย แค่เสียทรัพย์สินเนี่ยในบรรดากรรมที่ที่ทำให้เสียทรัพย์เนี่ยเบาที่สุดแล้วทีนี้ถ้ามันสูญเสียมากกว่านั้นเสียอะไรเสียน้ําตาถ้าจะแรงขึ้นกว่านั้นอีกหน้อยแต่ทีนี้นะมันไม่ได้เสียแค่น้ําตาใช่ไหมจะเสียเนื้อเสียเลือดเสียอวัยวะเกิดมาพิการไปทวงเอากับใครอ่ะใช่ไหมอ่ามันก็จะเสียเนื้อเสียเลือดเสียอวัยวะเสียสรีระเสียโครงสร้างเสียหน้าตาเสียบุคลิกมันเสียทุกอย่างเลยนะมันบางคนเนี่ยแค่เดินผ่านเนี่ยคนเนี่ยกลัวกันแล้วใช่ไหม จะเสียทุกอย่างเลยเสร็จแล้วเสียชีวิตด้วยแล้วท่านหนักขึ้นกว่านั้นอีกนะอบายก็เป็นที่ที่ดูบุญดูบาบนั่นแหละอบายนั้นเป็นสถานที่ที่ดูบาปนะสุคติโลกสวรรค์เป็นสถานที่ดูผลของบุญเพราะฉะนั้นเราเห็นศัตว์เดชานมากมายเนี่ยเขาไปจากไหนก็ชาวนะเหล่านั้ น, น, นที่ที่สะสมกันมานั่นแหละเพราะฉะนั้นใครพูดชั่วพูดไม่ดีนะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะ ถึงน้ำเสียงหรือเนื้อเรื่องที่เขาพูดดูเหมือนดีแต่ถ้าชวนาจิตที่เป็นบาปพูดมันก็มีโทษอยู่ดี น, นะถึงน้ำคำาําจะไพเราะขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าไม่ได้พูดด้วยกุศลเจตนาชวนะอันนั้นก็มีโทษอัน้นของพุทธศาสนาเนี่ยนะจึงแยกเลยว่ากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาและอัพยากตาธรรมมาแยกอันนี้ให้ได้ชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเห็นปับ๊บเราต้องแยกสามส่วนนี้ให้ได้ อะไรเป็นอัพยากตาธรมาก่อนนะชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกนี่นะตาสีจักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติระณะโวทัพภณะเป็นอพยกตารรมานเป็นอัพยากตารรม า, นน า, มาไม่บุญไม่บาปกล่าวไม่ได้ว่าเป็นบุญเป็นบาปแต่ชาวนะเราเราคิดอะไรนั่นแหละคือตัวบุญและตัวบาปนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่รักษาจริงๆเนี่ยคือรักษาชาวนะ คนส่วนใหญ่ทะนุถนอมวิบากและกรรมมรูปแต่ไม่ได้ทะนุถนอมชาวนะเลยเพราะมองเห็นชาวนะไม่ได้มองเห็นชาวนะเนี่ยเป็นทรัพย์นะไม่ได้เห็นว่าจะดีจะชั่วจะจะเลวจะประเสริฐจะต่ำต้อยก็อยู่ที่ชาวนะทั้งนั้นเลยนะวิบากกรรมมรูปถึงเราได้รับได้เห็นสีที่ไม่ดีนะเช่นตระกูลต่ำผิวพรรณามก็ไม่ได้น่ารังเกียจเพราะวิบากกรรมชรรคเหล่านั้น แต่พระองค์กล่าวถึงความบริสุทธิ์ความน่ารังเกียจที่ที่ชวนานะที่ชาวนะที่ความคิดอ่ะชาวนะก็คือความคิดนั่นเองคิดดีหรือคิดชั่วแต่ในบรรดาคิดดีคิดชั่วนี่นะพระองค์ทรงแนะนำวิธีคิดหมดเลยและเหตุผลของความคิดเหล่านั้นทั้งหมดด้วยว่าถ้าเธอคิดไม่ดีจะมีผลอย่างไรนะบอกหมดชี้แจงเหตุผล ชี้แจงถ้าชี้แจงในเรื่องบาปเรื่องอกุศลอันนี้เขาเรียกว่าพระองค์นี่ลงแท้หนักแล้วเขาเรียกว่าเป็นคําพูดที่ที่หยากอ่าสำนวนเขาเรียกว่าถ้าเป็นนายฝึกมา้าก็เรียกว่าฝึกแบบเพ็ดร้อนแบบนั้นเลยแสดงโทษนะแสดงอกุศลแล้วก็โทษของอกุศลนั้นๆว่ามันมีผลมีโทษมากมายมหาศาลแล้วพระองค์ก็แสดงถ้าแสดงเรื่องของกุศลและผลของกุศลนี่แสดงแบบปลอบโยน บางทีก็แสดงคละเคล้ากันไปนั่นถ้าเราสามารถมองความคิดของเราว่าเป็นซับได้เมื่อไหรทีนี้เราก็จะปรารบต่อไปว่าทําอย่างไรซับอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆเห็นอย่างไรทานน ก, กุศลจึงจะเกิดถ้าพูดแบบธรรมดาเลยนะลองมาไล่ลงต่ํกวาเมื่อวานหน่อยเมื่อวานนี่เอาศีลเลยเอาวันนี้ถ้าต่ากว่าทานาต่ำกว่าศีลจะเป็นยังไงเอาทานก่อน เราก็เรามองอยู่อย่างนี้ว่าเราจะไม่เห็นความสําคัญของการให้ทานเลยนะถ้าอยู่ในลักษณะนี้นะแต่เราคิดในยะตรงกันข้ามว่าเออเนี่ยที่เราเห็นส่วนใหญ่เห็นคนมีบุญถ้าเห็นคนที่ไม่มีบุญนะจะว่าไงนะอากาศหนาวเขาก็ไม่มีผ้าหม่มอ่ะนั่งอยู่อย่างนี้เป็นอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารมื้อเย็นเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาจะกินอะไรเลยก็มีบางคนเขาก็ต้องไปทําบาปทำอาคุลนะ่ะเพื่อที่จะให้มีกินอะ่ะนั่นเพราะอะไร เพราะเขาบุญน้อยอ่ะเขาไม่ได้สะสมในเรื่องทานเอาไว้อันถ้าเราไม่เห็นโทษของของการไม่ให้นะเราก็จะไปรับผลในลักษณะ น, นั้นในโลกนี้คนพ อ, พอกินกับไม่พอกินอันไหนมากกว่าไม่พอกินมากกว่าแล้วในโลกนี้คนให้ทานกับคนจะเอาทานไหนมากกว่า <c oughs> <c oughs> จะเอามากกว่าใช่ไหมเออเราไปเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยนะเราคิดจะให้มีหรือเปล่าน้อยมากนะแต่จะเอาเนี่ยส่วนใหญ่ เมื่อเราคิดจะเอาสะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็คิดดูว่าออโลกนี้ยุติธรรมนึกถึงมดตัวนิดเดียวนะน้ำจะดื่มยังไม่หาไม่พอดื่มเลยนะมดตัวนิดหนึ่งเนี่ยนะบางอนาบริเวณบางแห่งเนี่ยนะในรัศมีเป็นกิโลเมตรไม่มีน้ำให้หมดเหล่านั้นดื่มเลยมดที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นล้า น, านตัวหลายๆิบล้านตัวยังหาดื่มไม่ได้เลยอาหารเนี่ยนะได้ข้าวเม็ดเดียวเนี่ยตกหล่นลงไปเนี่ยนะมาแย่งกันมากม า, มายมาหาศาล อย่างอย่างตามชนบทนี่จะเห็นบ่อยมากนจะจะเห็นอย่างสมมุติว่าเราทรําเศษอาหารหรือว่าเศษน้ำตาลนี่เดียวเนี่ยนะตกหรือว่าขนมชิ้นเดียวเนี่ยลืมพักเดียวเนี่ยมดมาตอมกันหมดเลยแล้วมันจะหอบขบวนเลยนะหอบทางรังชวนลูกชวนล้านหอบไข่หอบอะไรมาเพื่อจะจะกินของเราก็เป่าพวดพวดพว ด, พวดเอาไปแล้วใช่ไหมเต็มแล้วเออนั่นอะ่ะทุกโทษเพราะไม่มีจะ ก, กินนี่นี่คือพบเดรฉ า, าน แล้วเดรัฉานยังพอมีกินนะเปรตเนี่ยอดอยากหิวโหวอย่างเดียวท้องเนี่ยเหมือนกับไฟไหม้ตลอดเลยเนยะไม่หิวแล้วก็เสื้อผ้านุ่งห่มไม่ต้องถามหาว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็นรกเนี่ยไม่ต้องเลยกินน้ําลายตัวเองอย่างเดียวอาหารที่พิเศษที่สุดคือน้ําลายตัวเองนะสำหรับนรกที่เหลือก็คือกินก้อนเหล็กอย่างนดียอาหารก็คือก้อนเหล็กกินน้ําน้ํานั้นก็จะเป็นน้ํากรด ท, ทันทีเลยก็จะแปรสภาพหมดเลย ก็จะเป็นลักษณะนะั้นนั่นคือโทษของการไม่ให้แต่ถ้าคนที่ให้ล่ะไม่อยากกินเขายัางขยันขยอเลยอะ่ะอันหนนะอหน่อยนะนยนะลลกเอาคำหนึ่งนะอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยร้องสามบ้านเจ็ดบ้านก็ยังไม่ได้กินอยู่ดีนั่นแหละ <c oughs> มันมีความแตกต่างกันนะผลบุญเนี่ยนั้นเรากร็มาแยกว่าคนให้กับไม่ให้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรอทีนี้เมื่อเราเห็นอันนี้สงองข้อการให้เราเกิดการให้ เออให้ให้แล้วมีศีลกับไม่มีศีลเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะถ้าหากว่าคนให้ทานแต่ว่าไม่รักษาศีลรวยแต่อายุสั้นเอาไหมยังไงมีฐานะแต่อายุไม่ยาว <c oughs> ก็ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าศีลประเภทอย่างอย่างข้อสองเนี่ยนะถ้าล่วงละเมิดการผิดศีลข้อสองเป็นเหตุให้เสียทรัพย์ศีล ใช่ไหมรวยแต่เดียวก็รวยพักจนพักรวยพักจนพักเนี้ยขึ้น ข, นขนลงลงตลอดเลยนะมีแล้วก็หมดมีแล้วก็หมดมีบ้านบ้านก็ถูกไฟไหม้มีรถรถก็เสียเอาไหมสิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นผลของการเสียศีลข้อที่สองผลของการเสียศีลข้อที่สามนอย่างเบาที่สุดเลยคือนอนไม่หลับอันนี้เบาที่สุดเนี้ยเนี้ยเศษท้ายๆเลยคือนอนไม่หลับกลับไปที่ไหนคนเกลียดนะไปที่ไหนเนี้ยคนไม่ชอบเลยอ่ะ นั่นแหละคือผลของศินที่สามอย่างเบาที่สุดแล้วอันนี้เศษเสี้ยวท้ายๆสเก็ดสเก็ดมาหน่อยนึงนั่นแหละผลของมุสาวาตก็ไปที่ไหนตัวเองและเปลี่ยนปากไม่ดีด้วยแล้วก็คําพูดก็ถูกหลอกมาตลอดนะแล้วก็ผลของการผิดศีลข้อสุราก็คือบ้ า, บานะมีความบ้าเป็นที่สุดนะอันนี้เศษนะ น, นี่เศษถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่จริงมนุษย์นี้ปฏิสนธิด้วยผลของของบุญเนะ ขนาดเกิดด้วยผลของบุญน่ะน้ำเมายังมาตามให้ผลเป็นคนพิการทางความคิดมนะีมีมวังเหมือนคนอื่นหมดแต่ชาวนะเป็นนะไม่ได้ชวนะนั้นแก้ไขไม่ได้ฝึกไม่ได้เลยเพราะจากพื้นฐานพวังที่ที่ที่ถูกกรรมบางอย่างมาเบียดเบียนอันนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ปรารบอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นฉั้นเราต้องมาปรารบบ่อยๆ กุศลศีลเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไรเกิดได้อย่างไรก็ต้องปราลร บ, บ่อยๆว่าเออเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งสามารถเป็นทานกุศลได้ไหมนะชั้นต้นที่สุดต้องปราลรบ่าให้กับไม่ให้อัานไนดีกว่าถ้าไม่ให้มีโทษยังไงให้แล้วได้ได้รับประโยชน์อย่างไระนะเพื่อที่เราถึงว่าขณะนี้เช่นเช่นเห็นน้ำเราไม่สามารถที่จะให้น้าแต่เราก็ตั้งเจตนาลมเป็นบุพพเจตนาว่าเราจะให้ ใช่ไหมตั้งใจว่าเราจะให้ถิงว่าในขณะนั้นยังไม่มีอะไรที่จะให้หรอกแต่ตั้งใจว่าจะให้ขณะนั้นนนั้ก็เป็นกุศลตั้งอัตตะสัมมาปณิธิว่าตั้งแต่นี้ไปเราพยายามที่จะให้ให้ได้นะสมาทานตั้งใจเพื่อที่จะให้อันนี้เป็นอัตตะสัมมาปณิธิแต่ทีนี้กุศลก็เหมือนกันเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆเนี่ยเราก็มาปลาเราแบบสามารถเป็นปานาติบาตได้ไหมเห็นหนังสือเป็นปานาติบาตได้ไหม นะ่เดี๋ยวมดมาตอมมากวนเดี๋ยก็ตบซะหน่อยเนี่ยใช่ไหมปัจจัยให้ปานาติบาตก็ได้ปัจจัยให้อธินนาทานก็ได้เป็นปัจจัยให้การเมสุมิฉาจารก็ได้มุสาวาทก็ได้เป็นปัจจัยให้ดื่มน้ําเมาก็ได้ถามว่าเราได้สมาทานตั้งใจเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เราก็ต้องรักษาไอเจตนาที่ดีอันนี้เอาไว้ปรารภแบบนี้บ่อยๆไหมถ้าปรารภลักษณะนั้นบ่อยๆก็เป็นกุศลศีล แต่จะปรารบได้บ่อยหรือไม่ก็อยู่ว่าเราเห็นโทษขนาดนะถ้าเห็นโทษเห็นอ น, นิสงส์มากเรียกว่ามีสตินะเรียกว่ามีสติในอารมณ์นั้นๆเลยในชั้นฐานกับชั้นชั้นศีลทีนี้อันนี้เป็นลักษณะของศีลประเภทปาติโมกนะถ้าซอยลงละเอียดไปอีกเราเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ทำไมพิจารณาถึงประโยชน์ของสิ่งนั้นนั้หมอันนั้นเป็นเริ่มศีลละเอียดเข้าไปแล้ว ก็จะเป็นปัจจะญสานิสีตสินเป็นเป็นปัจจะญสานิสีตสินด้วยเป็นสาธกะสัมปชัญญะด้วยใช่ไหมแล้วเออมีประโยชน์สปายะไหมนะสปายะสัม ป, ปชัญญะแล้วใส่ใจในกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือเปล่านะเสร็จแล้วอสัมโมหะสัมปชัญญะใส่ใจโดยความเป็นขันธะอายตนะสัจจะได้ไหมอันนั้นคืออะสัมโมหะสัมปชัญญะ เพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่แสดงอนุปุปปิกถาซะส่วนใหญ่ถ้าแสดงกับคารวาะจะไล่มาตั้งแต่ทานศีลและภาวนานะแต่ถ้าที่ใดไปเจอขันาธาตุอายตนะนะในสูตรนั้นนั้นแสดงว่าคนนั้นคนที่ฟังนั้นศีลบริสุทธิ์หมดแล้วถ้าพูดวิปัสสนาอย่างเดียวแสดงว่าท่านเหล่าที่ฟังอยู่อาจจะได้ฌานแต่ศีลยังไงได้อยู่แล้ว แต่ว่าน่าจะมีฌานอยู่แล้วพระองค์ก็เลยต่อสูตรนั้นทันทีเลยต่อสูตรเกี่ยวกับโพธิปัจขยธรรมชั้นสูงไปเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นธรรมดานะก็มาเล่าบางทีก็โอ้เล่าชาดกให้ฟังก่อนนะเล่าว่าโอ้ยเรื่องเคยมีมาแล้วภิกษุทั้งหลายอย่างเงี้ยกว่าไปใช่ไหมฟอกจิตนะเริ่มขัดเกลาสภาพจิตใจก่อนจะเริ่มแสดงให้เห็นคุณเห็นโทษนะเพื่อสังวรต่างๆก็จะได้เกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจ ต, ตอนท้าย เขาก็จะได้ปรารุธรรมนั่นแหละต้นเชื่อมไหมถ้าบอกว่าหนังสือเนี่ยเห็นแล้วมันทำอกุศลได้ไหมเนี่ยนังสืออย่างเงี้ย น, น, นี่นี่เรื่องจริงนะคือเจ้านายทหารนะทหารใหญ่ๆนะก่อนที่ผมเป็นทศสอนนะเคยเป็นนะแต่ผมไมไ่โดนเรื่องนี้นะก็มีเรื่องเล่ากันมาบอกว่า พอเจ้านายเห็นหนังสือนี่มันไม่เข้าท่านะท่นก็ไม่ยอมเซ็นนะแล้วจับโยนลงมาจากหน้าต่างนู่น่ะตึกกี่ชั้นก็ไม่รู้ลงไปนะไอ้ทอสส์วิ่งลงไปเก็บ <c oughs> นะลงไปเก็บ <c oughs> โยนลงไปยังไม่เห็นตนระงไหนผิดเนี่ยนะเนี่ยนะนี่เราจะเห็นว่าทางราชการการทาอย่างนี้ดีไหมไม่ดีแน่ไม่ดีแน่เลย เพรานั้นเขบอกเอ๊ะจะมองอะไรเนี่เป็นกุศลหรืออกุศลนี่นะจะเป็นทางก็ได้เป็นสีก็ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นได้อย่างนั้นจริงๆแล้วแต่ว่าเราตรึกแบบไหนเช่นเมื่อวานนี้บอกว่าท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเราตรึกถึงอกุศลกรรมบทสินะเราก็ตึกไปได้นะว่ามันเป็นเรื่องของ เ, อาเราจะผิดข้ออะไรราว่ากายกรรมวจีกรรมเนี่ยมันได้หมดเลยน ะ, นะหนังสือเห็นหนังสือเนี่ยนะเป็นได้ทั้งทุจริตทางกายนะีย สามวัจีกรรมสี่มโนกรรมนี่ได้หมดเลยนะเจนทองใช่รรแต่วันนี้พอมาตึกใหม่คราวนี้มันนี้ก็มันตึกเป็นฝ่ายกุศลบ้างนะเอ๊ะเป็นฐานได้ไหมปฏิทานได้ไหม ต, ตานุโมทนาได้ไหมนี่เป็นอะไรแต่ ไ, ได้อีกเรืงเยอะใช่ไหมเจนทงตกลงก็ตึกทั้งฝ่ายดีและฝ่ายมีฝ่ายไม่ดีคือต้องรู้เมื่อรู้สว่างกนะ<น>ันนะสัมโนนเขาว่างกันอาจะต้องรู้ดําและและขาวถ้าหากว่าเราไม่สามารถ มองเห็นดําได้ขาวเราก็จะไม่เห็นค่าใช่ไหมเพราะในส่วนนี้เหมือนกันว่าอย่างอ่าหนังสือสมัยใหม่เนี่ยนะหนังสือบางเล่มสอนทําปานาฏิบัติอย่างเดียวเช่นโหหนังสือนี้สอนตกเบ็ดยังไงได้เร็วที่สุดง่ายใช่ไหมหนังสือบางอย่างสอนอธินาทานหนังสือแนะนําวิธีโกงนะหนังสือบางอย่างนี่สอนเรื่องการเมสุมิชฉาจารโดยตรงเลย นะกล่าวอธิบายกระตุ้นเตือนให้โลภะมันเกิดลักษณะไหนนะแนะนําเรื่องการเมโดยตรงเลยหนังสือบางอย่างก็คือหนังสือที่เป็นไปกับมูสาวาทนะลอกจยงนั้นแหละหนังสือบางอย่างเป็นคําพูดคำหยาบเป็นหนังสือคำหยาบหนังสือบางอย่างเป็นหนังสือส่อเสียดหนังสือบางอย่างเป็นเดรัจฉานกรนะถาแล้วอาศัยหนังสืออ น, นั้นต์ก็เป็นปัจจัยให้การดื่มสุราและเมรัยก็ได้ เพราะในหนังสือก็จะกล่าวถึงคนกินเหล้าอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นการชักชวนให้เราไปผิดศีลข้อนั้นแล้วอาศัยหนังสือบางอย่างสอนให้เราเมียพิชาเพ่งเล็งอยากจะได้ของบางอย่างหนังสือบางอย่างทำให้เราเกิดพยาบาทแต่สุดท้ายหนังสือส่วนใหญ่สอนให้เป็นมิจฉาทิฐิหนังสือถ้าเราอ่านไม่ดีศึกษาไม่ดีในตลาดเป็นปัจจัยให้เป็นนิยตมิจฉาทิถิง่ายมาก ถ้าอ่านไม่ดีก็จะเป็นประเภทอุดเฉททิฐินะัง น, นั้นหนังสือเนี่ยเป็นปัจจัยให้ล่วงอกุศลกรรมบทได้ทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถเลือกวัตถุเด็บที่ดีเป็นปัจจัยมาได้ซึ่งกุศลกรรมบททั้งหมดอีกเหมือนกันนะเป็นปัจจัยให้ได้สัมมาทิฏฐิด้วยเช่นพระไตรปิฎกอย่างเงี้ยเราจะเริ่มวิเคราะห์อันนี้เนี่ยชั้นต้นคือประเภทศาสตกะสัมปชัญญะนั่นเองนะให้วิจัยให้มองเห็นทั้งสองอย่าง แต่ในหนังสืออย่างเดียวกันเนี่ยในโลกนี้บางคนสแสวงหาหนังสือพระธรรมอ่านแต่เขาหาไม่ได้ใช่ไหมยอยาก อ, อยากอ่านพระธรรมจริงๆแต่หาหนังสือพระธรรมอ่านยากเหลือเกินแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีอยู่ล้นห้องอะ่ะไม่อ่านสักทีิงอย่างเงี้ยวิบากแตกต่างกันมากนะนะบางคนเนี่ยโหหาพระไตรปิฎกจะอ่านหายากจริงๆนะต้องไปหยิบไปยืมนึกถึงเ네นนองหนึ่งอะ่ะ เวลาอยากอ่านพระไตรปิฎกทีหนึ่งเนี่ยนะต้องเดินทาง10กว่ากิโลเพื่อที่จะไปหิว้วหนังสือไปอ่านนะซึ่งอยู่โคราวัดกันเนี่ยนะจากเขาลงมาในวัดในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาหนังสือเนี่ยนะเป็น10บสกิโลนะแล้วก็เอาไปอ่านนะอ่านเสร็จก็มาส่งคืนนะเอาไปใหม่ก็ก็อยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าไอ้คนที่อยู่กับวัดที่อยู่กับหนังสือจริ ง, รงๆไม่ก็ได้อ่านนะเออบางคนเนี่เป็นลักษณะนั้นทํากรรมมาค่อนข้างจะแตกต่างกัน เมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆ น, นนะถ้าเราสามารถวิเคราะห์ตรึกบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าเป็นปัจจัยให้เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ถ้าเราเรียนรู้แบบนี้บ่อยๆนะจะเรียนรู้เรื่องจิตตานุปัสนาได้นะว่าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นทำไมเราจึงเป็นโลภะใช่ไหมถ้าชาวนะโลภะล่วงเป็นกายกรรมวจจิกรรมมโนกรรมได้ไหมถ้าชวนะเป็นโทสะเป็นกายกรรมวจัจจกรรมมโนกรรมได้ไหมนะถ้าชวนะเป็นโมหะเป็นได้กี่กรรม อาชาวนะเรานั้นมีอะไรเป็นอารามณปัจจัยนะก็จะเกี่ยวข้องก็จะเชื่อมไปหาเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ถึงกระยากน ะ, นะะด้วยอิทธิพลของการตรึกเนี่ยนะอย่างอย่างตามที่ท่านอาจารย์พูดอยู่มาสองวันแล้วนี่นะมันมีอิทธิพลมากถ้าหากว่านี่เป็นหนังสือนะยังมีเรื่องขนาดนี้นะถ้าหากว่าท่านลองตึกถึงบุคคลที่มีชีวิตนะไม่ว่าใครสักคนนะท่านลอยกตัวอย่างมาว่าบุคคลจริงๆนะที่ท่านเกี่ยวข้องกับท่านนะท่านลองตึกนะ ตึกไปในไฟล์ของอาคุศนกรรมบทสิบก่อนนะลองตึกดูนะเอาแค่เอาแค่แควจีทุจริตสีนะ่หนึ่งเราเคยพรุสวาจามั้ยบางคนคนนี้เราเคยพรุสวาจานะบางคนก็ไม่เคยไม่เคยเลยใช่ไหมบุคคลคนนี้เราเคยพูดเท็จไหมไม่แน่นะบางทีก็เกือบเกือบเท็จหรือบางทีก็เท็จนิดๆนี่นนะขนาดเท็จยังไม่ยอมรับเลยนะ ไม่แน่นะเพราะบางทีมันเท็จจริงๆเลยก็มีใช่ไหมแต่พอปิสุณวาจาเราเคยพูดในเขารู้สึกเขาก็ไแตกกับคนอื่นไหมเขาให้ก็รักเราไหมบางครั้งมันมีเหมือนกันนะหรือว่าสัมผัสปราปวารจาเนี่ยแมมเคยสนุกไหมโอ้การตรึกแบบนี้เนี่ยนะก็จะทําให้เราเนี่ยระวังขึ้นครับเห็แล้วคืวเห็นโทษขึ้นเจนพอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับแต่ละคนแต่ละคนเลยนะ เอากรรมบทเนี่ยมาสงเคราะห์ถามว่าทั้งกุศลและอกุศลมีผลไหมมีผลเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคล ต, ต่างๆเราทําบาปขนาดนี้เลยเลยเราจะเห็นอาราเห็นชวนะของเราที่อาศัยสิ่งนั้นเป็นอารมณปัจจัยอีกมากมายมหาศาลโอ้เราประมาทขนาดนี้เลยเชียวหรือนั่นแหละเราจะเห็นแล้วก็จะเริ่มตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นทรัพย์และอะไรเป็นทซั์และไม่ใช่ทรัพย์นั่นคือกิจของ ของสตินะสามารถที่จะโอ้โหนี่คือประโยชน์นะนี่ไม่ใช่ประโยชน์ทําอย่างไรประโยชน์จริงจะเกิดขึ้นทําอย่างไรจริงจะละสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างถ้าทํามาเกี่ยวข้องกับผู้การเนี่ยนะอ่ายกว่าสามารถผิดวินัยข้อไหนได้บ้างไล่ตั้งแต่ประราชิกไปจนจบเลยนะเป็นบ่อยเหมือนกันนะของธรรมมาเนี่ยเป็นวินยัยเอ่อผิดผิดวินัยกับผู้การนี่บ่อยเหมือนกันบางทีก็แฟงแฝงกันเล่นเรื่อยไอ้คาพูดที่แฟงบางคำเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทุพภาสิทธ นะสองครั้งแล้วมีมีวันวันที่ไปที่วัดเฉตุพลผู้การก็พูดไงบอกว่าผมไม่มีทักพันษาเลยโอ้ตั้ง6กิบ้าพันษาอย่างเงี้ยนั่นแหละทุพภาษิต็์ไปกินลนะความจริงผมก็ไม่น่าพูดอย่างนั้น <c oughs> คือว่าทพเรขาใช่ไหมท่านจะมาเซ็นให้สมุ <c oughs> ดใบสุทธิอะว่ารับมาเป็นชาวเชียงใหม่ะนะท่านประธานก็ถามอะ บอกท่านกีพรรษาและเพื่อที่จะท่านจะได้ปฏิสันฐานกันถูกกันนะพระองค์นั้นก็มีพรรษาน้อยกว่าใช่ไหมก็ท่านอาจารย์เรามีพรรษามากกว่าหน่อยใช่ไหมท่านถามไปถา ม, มาผมก็เลยสัมผัประประวัติว่าผมเองไม่มีสักพรรษาหนึ่งเลยต้องนั่งของล่างนี่ <c oughs> เพราะว่าท่านเออท่านนั่งบนท่านว่าไงนะท่านกระตอนรับว่าพวกคุณเจ้านนั่งงบนเถอะ <c oughs> ใช่ไหมน่ะท่เดขาท่านก็นั่งบนเก้าอี้ใช่ไหมแล้วก็ผมเลยผมไม่มีสักพรรษาเลยต้องนั่งตรงนี้ดีแล้วนะครับ แล้วท่าอาจารย์ว่างไงนะครับบอกว่าตั้งหกสิบหาพผมเงเอินไม่ได้ยินใช่อันนี้เขาเรียกว่าพูดกระทบอายุไงแต่ว่าพูดเพื่อสนุกสนานเป็นอบัตถถิทุพภาสิทธอันนี้ยกตัวอย่างนะเออหลังหลายครั้งอีกบางทีอาจจะเช่นกระทบลักษณะหัวหน้าห้องอย่างเงี้ยคือพูดแบบคําๆอ่ะนะอันนั้นเป็นอบัตินะโอ้เออเราแบบอันนี้ยกอย่างอย่างน้อยๆ น, น, นะแล้วถ้าหากว่า สามารถเป็นใหญ่กว่านั้นได้ไหมเป็นอบัตข้อไหนได้บ้างเนี่ยเราก็เอาสิขาบทต่างๆมาสงเคาะลงสงเคาะลงสงเคราะลงว่าเออในสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่แยบคลายเราก็ได้รับโทษมากมายมหาศาลเหมือนกันถ้าเราแยบคลายกุศลจิตเราก็เกิดมากมายมหาศาลเหมือนกันอันนี้สุดแท้แต่สติเราจะเกิดบ่อยไหมแต่สติจะเกิดได้ก็ต้องเห็นโทษของการหลงลืมสตินะเห็นอันนี้สองของการมีสติเพราะว่าสติก็เป็นปลายกฐาน เป็นไปกัดศีลเป็นไปกับภาวนานะเราต้องต้องมั่นสงเคราะห์มันตรึกมันไขรควนแบบบอ่นะอยก็จริงจริงก็ไม่ใช่โทษแรงแรงเลยนะเพียงแต่ว่าอย่าไปคิดว่ามันเล็กน้อยกันเลยคงจะได้ขัดเกลากันมากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ไปคิดว่ามันเป็นอุปนิสัยปล่อยมันเถอะอย่างนี้อย่าเด็ดขาดเลยนะอุปนิสัยอันนี้เนี่ยนะไปอาายอมาเยอะอยแล้วนะ เอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้นะเราก็ขัดเกลามากขึ้นนะขัดถ้าเราไม่รู้นะไม่มีทางเลยนี่คือศีลสิกขาเจนพานี่คือศีลสิกขานะผมนะสงสัยมานานว่าศีลสิกขาเนี่มันแค่อ่านเรือว่าศีลห้ามีอะไรศีลแปาศีลสิบมีอะไรเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลนาวิธิกามาเป็นศีลเอ้เรารู้หมดแล้วเนี่ยแต่ว่าเราเราศึกษาเรา จริงๆแล้วเนี่ยเราศึกษาแค่นั้นพอเลยไม่พอวันนี้มาอ่านเรื่งอินทรียสังวรเนี่ยโอ้โหชอบใจมากเลยถ้าไม่ถ้าเราไม่ปฏิบัตรตามนี้นะศีลเรามีนิดเดียวะมีนิดจริงๆเลยนะพา์อริยสารเนี่ยจะเกิดน้อยมากเลยนะอริยศัพท์น้อยเนี่ยนะจะน้อมไปสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะพูดก็ไม่ค่เต็มปากนักใช่ไหมจะเอากุศลตัวไหนไปสวรรค์สมมุติ จะเอาไปเป็นอุปนิสัยปัจจัยไปเป็นนานักขาขณิก ก, กรรมมปัใจจัยให้ผลนำเกิดเนี่ยจะเลือกเอาเอาอันไหนล่ ะ, ะทีนี้ในขณะเดียวกันนี้เราบางท่านบอกว่าแล้วแต่อุปนิสยัยเราคิดดูนะว่าคนไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็แล้วอุปนิสัยเหมือนกันแต่ว่าอุปนิสัยบางอย่างเป็นเป็นอุปนิสัยเพื่ออะไรนะอบายก็มาจากอุปนิสยัยทุกขติวินิบาศก็มาจากอุปนิสยัย ความเป็นมนุษย์ก็มาจากอุปนิสัยถ้าอนุรักษ์อุปนิสัยดั้งเดิมนะคำสอนไม่มีประโยชน์กับเราเลยเพราะคําสอนเป็นไปเพื่อฝึกอุปนิสัยนะพระองค์คุริมาเนี้มีอุปนิสัยยังไงช่วงที่ถือดาบฆ่าคนใช่ไหมพระพุทธเจ้ามาฝึกให้มีอุปนิสัยเป็นไปกับศึกขาสานะบางคนเนี่ยนะเมาแอะ น, นีพระพุทธเจ้าไปฝึกให้คนละอุปนิสัยไปเลยอั้นพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการฝึก ถึงว่าอุปนิสัยนั้นไม่ดีก็พระ อ, องค์บอกว่าให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษถึงความสํารวมระวังต่อไปนั่นเป็นความเจริญในอริยะวินัยนี้เพราะฉะนั้นศีลบางอย่างถ้าปราชิกเนี่ยท่านบอกเลยว่าเปลี่ยนเพศซะไปเป็นสัมมเนรไปเป็นสัมมเนรหรือว่าไปเป็นคาราวะก็ไม่ได้ห้ามมรรคผลอะไรเว้นไว้แต่ว่าไปไปฆ่าผ้าอรหรนันนะนะปราชิกประเภทไปฆ่าผ้าอรหรันก็หนักหน่อย ถ้าอย่างนี้ก็ห้ามสวรรค์ห้ามมรรคผลนิพพานแต่ก็ทําบุญได้เป็นอุปนิสัยในชาติต่อๆไปสังฆาทิเศตก็มีวิธีการอยู่ปริวาสเป็นต้นเพื่อที่จะออกจากอบัต tn ั้นๆไปนะอบัตตำกว่านั้นลงมาตั้งแต่ทุรจใยปาทิเทสนิยะปาจิตีทุกกฎทุกภาษิทธ์พวกนี้ก็แสดงคืนนะนะก็ก็ทําคืนว่าข้าพเจ้าจะสํารวมระวังต่อไปแต่ก็ต้องแสดงต่อหน้าพิสูรรูปใดรูปหนึ่งนะคล้ายๆกับ ปนามลักษณะว่าเออข้าพเจ้าเนี่ยทำไม่ดีในเรื่องนี้มานะก็จะสํารวมระวังต่อไปจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วอย่างอบัตบางข้อว่าเนี่ข้าพเจ้าทําในสิ่งที่น่าน่าตำหนินะเป็นของควรจะแสดงคืนข้าพเจ้าขอแสดงคืนธรรมะข้อนี้นะเรียกว่าอ ბ ัตปาติเทศิเนยะเนี่ยแสดงคืนทีนี้ถ้าหากว่าการแสดงคืนแล้วก็ไม่มีโทษและเพราะฉะนั้นการสํารวมระวังต่อไป ด้วยการแสดงคืนอันนี้เป็นหน้าที่ของศีลสิกขาหรือว่าปาติโมขสังวรบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงคืนถ้าอินทรีย์สังวรน่ะนะตามองเห็นใจไปกระบากหูได้ยินเสียงใจเป็นไปกระบากทำไงท่านบอกว่าอธิษฐานสุดทธิบริสุทธิ์ด้วยการอธิษฐานนะเอาไหมว่าจะไม่ปล่อยแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะ <S S S นะเห็นโทษและสมาทานทําคืนที่จะไม่ให้ความคิดแบบนั้นเกิดอีก อันนี้เรียกว่าบริสุทธิ์ด้วยการอธิษฐานแต่ถ้าหากว่า ป, ปัจจัยสี่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเข้ามาในห้องใครปัจเจเกมั้งสาธุที่พิจารณาเนอะไม่พิจารณาก็สัตว์ทั้งหลายก็มาด้วยเจตนาเป็นของตนนะสะสมเจตนาอันในไว้ก็สมควรแก่เจตนานั้นนั่นแหล ะ, ะถ้าหากว่าพิจารณาอันนี้เป็นเป็นเหตุให้บริสุทธิ์นะต้องหมั่นพิจารณาบ่อยๆ บ, บริสุทธิ์ด้วยการ ที่จรนานะถ้าอ า, อาชีวะปริสุทธิ์ศีลบริสุ์ด้วยความเพียรพยายามท่านเราะะก็ต้องมามองว่าเอออุบายในการแก้ไขในสิ่งนั้นๆอย่างไร mm hmm. คือเราวันนี้เรารักษาไม่ได้จริงอยู่แต่ถ้าเราตั้งอัตตะสัมมาปณิธินะจะได้สักวันหนึ่งจะได้ใช่ไหมคนที่เป็นพระอริยสาวกในสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้เป็นคนดีมาทุกคนนะโจรมาบวชนี่ไม่ใช่น้อยเลยโจรมาบวชเป็นพันๆเลยนะ บางโจรบางกลุ่มที่เป็นลูกศิษย์ของท่านทรศโนกุติกันนะเนี่ยนะก็โจรหนึง่งเหมือนกันลูกศิษย์ของพระสังกิจจาสัมมเนนก็โจร น, นะมาบวชแล้วเป็นพระอรหันต์ลูกศิษย์ของพระอธิมุตย์สั ม, มเนนก็โจรอีกนั่นแหละมาบวชเป็นพระอรหันต์องค์ุลิมาเนี่ยเขาเรียกว่าจอมโจรเลยไม่ใช่โจรธรรมดาเหมือนกันก็เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระอริยะสาวกในสมัยพุทธกาลที่เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้เกิดจากตระกูลดีกันทุกคน บางคนก็เป็นตําต้อยเป็นทาสีถูกเข้าด่าอยู่เช้าเย็นเช้าเย็นตอนหลังก็เป็นเป็นพระอริยเจ้าได้ใช่ไหมบางคนก็เบื่อสามีจนนะเบื่อสาสเเบื่ออะไรที่ภู้การเอามาอ่านมันก่อนใช่ไหมอันนั้นก็ทําให้ท่านเป็นพระอริยาสาวกได้น ะ, ะบางท่านก็มาจากอาชีพที่ที่ฟังแล้วก็ทุกคนต้องรังเกียจเลยนะอยากยกตัวอย่างเช่นโสเภณีอย่างนี้ อย่างนางอัมพะปาลีหญิงคณิกาคณิกาก็คือโสเพณีตอนหลังนางอัมพาปาลีก็เป็นพระอรหันด้วยนะนางอัมพาปาลีก็เป็นพระอรหรันจะรู้ว่าตบะและพรหมจรรย์นในพระพุทธศาสนาไม่ใช่น้ําแต่เป็นสิ่งที่สามารถชำระชําระเราได้ถ้าเราสัมั่นใจในศิกขาเหล่านี้ว่าอ่าสิกขาคือคําสอนของภาษาสดานันั้นเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริงๆ นะให้มองว่าเป็นทรัพย์เป็นศึกษานุตรยะแล้วตั้งใจศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติในที่สุดเราก็สามารถที่จะพ้นจากจากกองทุกเหล่านั้นได้นะถ้าไม่เลิกซะก่อนนะผมขอแนะนำนะถ้าหากว่าเราเรียนเรียนไปนี่นะครับเออเราเรียนไปเราได้อะไรติดตัวไปเนี่ยนะเคยนึกไหมครับนะลองอย่างนี้สิครับท่านชอบสูตรไหนนะชอบเรื่องอะไรนะท่านท่องไปเลย ดูดูเรื่องสําคัญสำคัญเรื่องใหญ่ๆนะเพราะว่าถึงหมดเลยนะถึงถึงบรรลุมรควนหมดถึงสุดยอดได้หมดเทาทีมื่อเทาเราสนใจเรื่องอถ้าเราสนใจเรื่องสัมพชัญญะเนี่ยนะตั้งแต่ศาสตร์ถกสัพพัญญะไปถึงนู่นนะครับไปถึงอาสามมหะสัพชัญญะเนี่ยนู่น น, น่ะถึงนู่นเลยนะถึงการเจริญ มีปัสานาสมถ า, า, าวิปัสานาหมเลนะไล่ขึ้นไปเรื่อยเลยนะมันจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมถะเรื่องภาวนาเนี่ยถ้าเราท่องไว้นี่นะต่อไปนี้ตัวนี้มันจะเป็นหัวข้อให้เราไปขยายให้มันกว้างขึ้นเวลาเราไปตรึกก็จะขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นถ้าเราสนใจเรื่องพุทธคุณนะเราก็หัวข้อเนี่ยมันท่องให้ขึ้นใจและจําได้แล้วหัวข้อนั้นเนี่ยมันจะมีหมดเลยอย่างพุทธคุณนี่มีหมดเลยตั้งแต่ทานศีลภาวนามีหมดทุกอย่างอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะมีหมดทุกอย่างเลย หรืว่าสมมติกรรมบทสิทธิ์นี่นะเอาให้ได้เลยเอาให้ละเอียดนะท่องให้ได้แล้วก็กรรมบทสิทธ์มีอะไรครับกุศลกรรมบทนะฮะหรือว่าบุญญากริยาวัตถุสิธนี่นะครับมีถึงนู่นเลยนะมีถึงธรรมะชั้นสูงมีหมดเลยตั้งแต่ทานศีลภาวนามีหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้สักอันนี่นะแล้วเราจะเจอกันเองหมดอ่ะเซนพันแม้แต่ในสูตรนี้ขอโทษนะครับแม้แต่ในสูตรนี้เนี่ยนะครับ พระา巴าสริยะนี่นะครับพระองค์นี้เนี่ยสนใจเรื่องเรื่องอินทรีย์สังวรเป็นพิเศษครับ น, นะฮะแล้วก็บรร ล, ลุด้วยอินทรียสังวรนี้เพราะคือว่าอินทรียสังวรนี้นะพูดถึงจริงๆแล้วนี่นะถ้ามันอินทรีย์สังวรเนี่ยนะถ้ามันอินทรียสังวรเนี่ยนะครับไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่ธรรมดาแล้วสูงสุดอีกเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเอาได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาให้ได้นะแล้วเราก็จะเรียนธรรมะสนุกขึ้นใช่ หรื อ, อผู้ที่เรียนอภิธรรมมสังกหามาก็ได้นะ ย, ยกตัวอย่างเช่นถ้าเปื่อเชตหนึ่งเข้าใจดีๆเลยกับเปื่อเชตสองเนี่ยนะจิตกับเจตสิกดีๆเนี่ยเสร็จแล้วมองเราก็มาตรึกว่าเออเนี่ยนั่งมองเห็นเนี่ยตามองเห็นสีเนี่ยได้จิตกี่ดวงอย่างเงี้ยใช่ไหมงูได้ยินเสียงแก๊้เนี่ยจิตกี่ดวงอะไรบ้างใช่ไหมเออในโสตวิ ญ, ญญาณมีเจตสิกประกอบกี่อย่างก็ตรึกพวกเนี้ไปบ่อยๆบ่อยๆ แล้วเอาปรชิดสามมาใส่ลงไปอีกหน่อยสิจะเป็นยังไงเอาประชิดสี่ลงไปประชิดห้าประชิดหกประิเจ็ดประช 7, ริดแปดปฏิจจะเลยนะประิเก้9สมถาวิปั ส, สนาไปหมดเลยสบายเลยนะนะทางตามองเห็นก็เหมือนกันสงเคฆ์ลงประช 1, ิดหนึ่งจิตจกักขวิญญาณนะท่านบอกเออเนี่ยอุเบกขาสะกระตังจกักขวิญญาณังจิตที่อาศัยจกักขวะถุกเห็นรูปอารมณ์ที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉย ประชสองบอกว่ามีเจตสิกประกอบเจดดวงภรรษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกกัคตาชีวิตตินสีมนสิการประชดสมเออโดยเหตุจากขูวิญญาณไม่มีเหตุประกอบใช่ไหมแล้วต่อไปอีกโดยเหตุโดยทวารจากขูวิญญาณอาศัยจากขู่ทวารแล้วโดยวัตถุจากขูวิญญาณอาศัยจากขู่วัตถุโดยกิจจากขูวิญญาณธรำทัศนกิจโดยอารมณ์จากขูวิญญาณมี สีเป็นอารมณ์โดยวิถีจากคูวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจยัยใช่ไหมก่อนหน้านั้นมาจากคูวิญญาณจะเกิดขึ้นต้องมีปัญจทวาราวชนะจากคูวิญญาณสัมปติชนะสันติระนาโวทัพนะชวนะอันนี้ก็เป็นประชดสี่ไปประชดห้าเอ๊ะจากคูวิญญาณเป็นผลของกรรมอะไรบ้างใช่ไหมเป็นผลของกรรมบางอย่างมาจากชนะกกรรมบางอย่างมาเป็นอุปธรรมพักกรรมบางอย่างเป็นอุปปีลกกรรมอุปคาตกรรมเนี้ย เอาเรื่องกรรมมาจับแล้วผู้ใดสามารถมีจกักขูวิญญาณได้ก็จะสงเข้าลงภูมิลงกรรมนะเกี่ยวกับเรื่องจุติปฏิสนธิต่อไปเอาปริเชษ6ก็คือเรื่องรูปเออที่ตาเนี่ยมีรูปประกอบเท่าไหร่นะโดยรูปกลาเป็นต้นปริเชต7นะโดยขันธะยตนะสัจจะอินทรีได้ไหมได้นะปริเชษ8ลงปั จ, จัจลงปฏิจจสมุป บ, บาทปริเชต9โดยสมถะและ มีปั ส, สนานะถ้าถ้าเราอ่านและพยายามมาสงเคราะห์ลงปั๊บการเห็นเนี่ยสงเคราะห์ได้ทั้ง9ก้าพระเฉตเลยอ่าจิตดวงยืนดื่นก็เหมือนกันแล้วก็ร้องไล่แบบนี้บ่อยบ่อยบอยถ้าเราจําแม่นนะถ้าถ้าจำเหม่นก็ตรึกแบบนี้บ่อยๆก็ได้หรือถ้าหากว่ามีความเข้าใจในเรื่องพระสูตรดีก็ทรงจําพระสูตรสักสูตรหนึ่งก็ได้เสร็จแล้วในพระสูตรเหล่านั้นเนี่ยคํานี้มีความหมายว่าอย่างไรคาาาาานน้้้มมมีวมมวีว่่รรเเก็ถททผููขใใจ พสูตรนั้นนนั้นดีแล้วก็เท่าจะเชื่อมโยงให้เราเห็นว่าเอาในสูตรสูตรหนึ่งนะถ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยพุทธพจน์ทั้งหมดนี้มีรถเดียวคือมีมุติรสเพราะฉะนั้นทุกสูตรเนี่ยสามารถถึงอรหั ต, ตผลได้หมดเลยถ้าเรามีความเข้าใจเพียงพอแต่ทีนี้เมื่อเราทรงจําได้แล้วทํายังไงจึงจะเข้าใจได้ควรจะอ่านหนังสืออะไรประกอบนะการศึกษาธรรมะก็จะเบาไปเยอะแล้วนะเพียงแต่ว่าให้เรากําหนดทิศทางว่าการศึกษาของเราเพื่อรู้ อริยศาสตร์เป็นต้นก็จะเบานะเราก็จะรู้กําหนดรู้เป้าหมายรู้ทิศทางของของเราดีละตัวอย่างนะท่านดูนะถ้าท่านชอบสูตรไหนหรือว่าข้อความใดนะแล้วท่านจดลงไปนะอย่างผมเนี้ยเนี้ยผมจดเนี่ยนะนี่แต่แปลกผมชอบสมุดแบบนี้คล้ายๆใบลานนะเออแปลกครับเจอถูกชอบอ่จ ด, ออออจดล้พลิกๆอย่างนี้คล้ายๆพลิกใบลานสงสัยเคยจะเป็นตู้มาก่อนนะ <c oughs> นี่นะจดเอาไว้นะนแล้วก็ต้องของใหม่ดีกว่าของเก่าไม่นี <c oughs> อ่าแล้วเก็บไว้ในห้องน้ำไอ้เวลาในห้องน้ำห้าสิบนาทียี่สิบนาทีนี่มันจะมีค่ามากนะอย่าให้ขณะมันล่วงไปทั้งแค่นั้นนะ่ะผมได้จักในห้องน้ำเยอะนะไม่มีอะไรทำเนี่ยเอามาทา่องรับรองว่าได้ผลแน่นอนเลย น, นะนี่แล้วจดไว้ เช่นสูตรสุดท้ายที่ผมจดไว้นะในกุทกานิกาเทละคาฐานะชื่อว่าพระศาสดาเพราะทรงพร่ำสอนเวนยสัตว์ตามสมควรด้วยทิฏฐธรรมิกัตประโยชน์สัมปราญิกัตประโยชน์แล ะ, และระมัต a m a ประโยชน์นะแค่นั้นแหละชื่อว่ารักษาพยาบาลสัตว์โลกทั้งปวงนะรองเหมือนหมอใช่ไหม นี่แหละชื่อว่ารักษาพยาบาลสัตว์โลกทั้งทั้งปวงเพราะทรงเยียวยาโรคคือกิเลส ข, ของสัตว์โลกทั้งมวลพระองค์เป็นอาจารย์ของเราคําว่าเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่าอ่าตรงกับในอ่าในในศาสณาใช่ไหมฮะในในไตรสรณะนะใช่ไหมฮ ะ, ะ, นะมฮะเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมองเห็นว่าพระองค์นั้น พยาบาลสัตว์โลกสัตว์ัตว์โลกนี่ป่วย <c oughs> ป่วยกระสอกกระแสะป่วยหนักป่วยละเยอะแยะเลยเนี่ยจดแค่เนี้ยครับเนี่ยเนี่ยนะครับแค่นี้เองเนี่ยแล้วค่อยๆขยายออกไปนะแต่สูตรที่ควรควรต้องจำนะคือพุทธคุณเมื่อไหร่เสร็จับท่านครับ <c oughs> หัวข้อพุทธคุณนะเช่นขึ้นต้นด้วยคำว่าอารหังเนี่ย อานหังนี่หมายควาอะไร ต, ต้องจำได้อยู่แล้วเรื่องนี้นะ ต, ต้องจำให้ได้ไดนะหนึ่งไกลจากกิเลสสองกำจัดข่าศึกคือศัตรูนี่คือคือกิเลสก็ดีนะเป็นผู้ที่หักซีกรรมแห่งสังสารวัจ ก, ก็ดีเป็นผู้ไม่ทํำบาปในที่รับก็ดีเป็นผู้ที่สมควรแก่ปัจจัยสี่ก็ดีอยู่ห่างจากผู้ไม่รู้อยู่ใกล้ผู้รู้อะไรเนี่ยครับทัอย่างนี้เนี่ยนะแล้วท่านลองไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ ไ, ล ไ, ลไปเรื่อยนะ แล้วลองตรึกแล้วเอามาตรึกนะกรับไกลจากกิเลสไกลยังไงมาตรึกโอ้ได้ผลนะเพระเราตึกเอ้ตึกไม่ออกเราก็ไปเปิดตําราดูกิเลสมีกี่อย่างนะเท่าไหร่ครับคุณฮะเราแต่เลยเนาะเอาย่อๆเอาแค่เนั้นะเอาแค่ย่อยๆนะไม่นะก็เราไล่เอาเลยพระองค์ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีมัชชลิยะไม่มีอิสาไม่มีหิไม่มีอะฮิลิกะไม่มี มานะไม่มีทิฏฐิเนี่ยเราก็ลองไล่ดูนะโอ้แล้วมันจะศึกษาธธรรมสนุกขึ้นนะนะอพอรู้อ้าวถ้าพระองค์ไม่มีอย่างนี้แล้วนะพระองค์ต้องมีตรงเงนข้ามเพราะพระองค์เป็นกิริยาจิตใช่ไหมกิริยาจิตก็คือมหากุศสลจิตแปดพระองค์ต้องมีหนึ่งนะอโลพาอโทสะบางทีก็มีอะโมหะบางครั้งก็ไม่มีใช่ไหมต้องมีศรัทธามีสติมีหิริมีโอด ต, ตัปปะ มีตัดรามัจจะตัดตาก็ไล่ไปเรื่อยนะกายปัสัตที่จิตปัสสัตที่ไล่ไปหมดเลยแล้วก็ขณะที่ไล่ไปเราก็นึกดูที่ว่าเออแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายยังไงนะและเล่าเรามีหรือเปล่าโอ้ไม่มีว่าพระองค์ห่างจากเราเหลือเกินนะอ้เราห่างจริงๆนะอย่างนั้นเพราะตรึกแบบนี้เนี่ยนะก็จะทําให้เราแม่นด้วยแม่นด้วยแล้วก็จิตเป็นกุศลด้วยนะโอ้พระองค์ไม่มีกิเลสอย่างนี้นะพระองค์จึงสมควรกับปัจจัยสี่ ให้ถวัตปัจจัยศีลโอ้โหมีผลมากอันนี้สูงมากก็ตึกไปแบบนี้ใช่ไหมอ๋พอพระองค์ไม่มีกิเลนนะพระองค์จึงไม่ต้องกลับ ม, มาเกิดหักที่กรรมแห่งสังสารวัชกอ๋พอพระองค์ไม่มีกิเลอย่างนี้เลยนะเมื่อพระอยู่พระองค์อยู่องค์อองเดียวไม่เคยคิดสิ่งที่มันมันเป็นอกุศลเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีทําความชั่วทําบาปในที่ลับไม่มีเลยแล้วบุคคลอย่างนี้ใช่ไหมที่จึงควรสรรเสริญอย่างยิ่งเนี่ยนะครับ คือถ้าตึกอย่างนี้นะผมก็ผมก็ศรัทธาในในท่านอาจารย์มาแนะนําผมเนี่ยอผมตึกแนละ้วผมก็รู้สึกว่ามันดูมันธรรมะดูมันเจริญขึ้นนะจิตเป็นกุศลมากขึ้นนะมีศรัทธามากขึ้นก็ไม่เชื่อท่านลองไปตึกดูก็แล้วเดอนะตอนตรึกตอนไหนดีที่สุดรู้ไหมตื่นขึ้นมาตอนเช้านะอยังขี้เกียจลุกใช่ไหมนอนเยนั้นนอนบิดไปบิดมานั่นนะ่นะมาตึกตีนะ นะตอนนั้นนะ่ะตึกดีถ้าตึกก่อนหลับนะก่อนหลับนะถ้าตึกแล้วมักจะหลับตึกไม่ได้กนานนะหลับปุ๋ยไปเลยนะแต่ตื่นนะยิ่งมีคนมีอายุนะตื่นตอนตื่นตีสี่ตีห้านี่โอ้ตึกได้ตึกถึงหกโมงเช้าตึกเพลนเพลินหรือมาโอ้สว่างเลยเออมาไม่ทันโอ้มาช้านี่มาไม่ทันเลยนะดีจริงๆนะเพราะฉะนั้นอำนาจการตึกนี้นะผมบอกให้ตึกตลอดชีวิตเลยนะคือโยนนิสวงมธดิการบอก พงศ์บอกว่าโยนิสโสมสดการนี่นะต้องโยนิสโสตลอดชีวิตท่านวางเงินนะทิ้งไม่ได้เลยอ่ะถ้าถ้าเราตรึกได้นะธรรมะบางส่วนที่เราว่ายากเราจะนึกออกในช่วงที่เราฝึกตรึกนี่แหละแล้วบางอย่างเลยที่เราไม่เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมหมวดนั้นๆจะเห็นความลึกซึ้งถ้าตรึกไประยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะวิชาที่เราเรียนไม่หายไปไหนเลยนะจะรวมมาเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่อยู่คนละช่วงคนละตอนเหมือนกับเรารู้จัก แผนที่ประเทศไทยเรารู้จักมาตั้งหลายจังหวัดแต่ทีนี้มาฝึกตรึกก็คือมามาดูแผนที่อบ้านนั้นไปเชื่อมกับบ้านนี้บ้านนี้ไปเชื่อมกับหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นไปเชื่อมกับตำบลโน้นตำบลโน้นไปเชื่อมกับอำเภอไปจังหวัดปั๊บก็จะเห็นเป็นระบบหมดเลยจะเห็นเป็นระบบปั๊บเราก็ไม่ไม่หนักละศึกษาพระธรรมก็จะไม่ไม่สับสนเราจะเริ่มรู้ว่าเออธรรมะหมวดนี้อยู่ในกลุ่มประเภทใดธรรมะนี้อยู่ในกลุ่มประเภทใดธรรมะกลุ่มนี้ไปเชื่อมกับเนื้อหาประเภทใด เท่าที่ที่ฟังมานะที่เราศึกษาธรรมะยาก ท, ที่สังเกตก็คือเราเรียนไม่ไม่รู้โครงสร้างรวมเรามองภาพรวมไม่ออกกันเลยเราก็ฟังไปเออวันนี้ฟัง เ, ออ เ, ออ เ, ออเข้าใจเข้าใจเรื่องนี้ใช่ได้กลับไปลืมหมดละ ว, วันหลังมาฟังใหม่เออดีๆๆใช้ได้เข้าใจลืมอีกเมื่อไหร่จะเชื่อมกันเข้าออฟังไปทําอะไรเนี่ยยังไม่รู้ว่าธรรมะที่พูดเนี่ยหมวดไหนไปเชื่อมกับองค์รวมองค์ย่อยยังไงยังไงเราไม่ค่อยรู้เลย ถ้าถ้าลักษณะนี้ก็ก็คงยาวแต่ก็ดีในเชิงว่าเออฟังในส่วนวาสนาอย่างเดียวเพราะงั้นเถอะก็คือคือถ้าฟังด้วยศรัท ธ, ธาเป็นต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าคนมีอุปนิสัยหรือไม่มีอุปนิสัยสังเกตที่ว่าเขาเงียบโสดฟังไหมทั้งเงียบโสดฟังเป็นต้นแสดงว่ามีอุปนิสัย น, นะทีนี้ว่าอุปนิสัยจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ว่าถ้าฟังแล้วไม่มีผลในการปฏิบัติในชีวิตเลย ลักษณะนี้ก็คือมีส่วนแห่งวาสนาในภพต่อๆไปแต่ถ้าฟังแล้วสามารถเอามาตรึกเอามาใช้เอามาปฏิบัติออชีวิตก็ก็ดูจะใกล้ความจริงเข้าไปหน่อยแหละคือใกล้ใกลมองเห็นอริยสัจเข้าไปบ้างถ้าเอามาตรึกเอามาเพ่งเพราะธรรมส่วนใดก็ตามถ้าโดยรวมแล้วอย่างไรก็อยู่ในประเภทของอริยสัจการเจริญพุทธคุณอยู่ในกุศลประเภทสายมัคคสั์เป็นพาเวตาประธรรมเป็นธรรมะที่ควรควรเจริญ นะธรรมะที่ควรเจริญหมวดสองคือสมถโตจะวิปัสนาจะนะสมถะและวิปัสนาควรควรเจริญควรทำให้มากนะก็อยู่ในสายภาเวตปธรรมภาเวตประธรรมเหล่านี้ก็เป็นปลายเพื่ออริยมรรคถ้าตรึกพุทธคุณบ่อยๆนะพุทธานุสติเนี่ยนะเป็นเป็นสายอริยสัตว์นะท่านท่านแสดงแต่ว่าท่านให้หัวข้อในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่ า, อ, าอนุสติสิ ทีนี้เราก็มามองอนุสติสิบโดยนะอย่างเช่นพุทธานุสติถ้าพุทธานุสติเน้นึกถึงตัวอะไรนึกถึงอะไรองค์ธรรมที่เป็นจริงของพุทธานุสติคืออะไรทำไงนะคือสติเจตสิกนะยกตัวอย่างนะเพราะพุทธานุสติใช่ไหมก็เน้นสติสติเจตสิกสติสติสมุทัยใช่ไหมได้ไหมสตินิโรธสตินิโรธคามินีปฏิปทา เพราะในในบทนี้เนี่ยนะก็คือเป็นองค์ย่อยมาจากบทว่าสัมมาสัมพุโทโธอั้นสัมมาสัมพุโทโธนั้นธรรมะธรรมะอสองข้อธรรมะหมวดต่างๆลงอริยสัจให้เห็นเลยในนั้นอั้นพุทธานุสติก็พุทธานุสติพุทธานุสติสมุทัยพุทธานุสตินิโรธและพุทธานุสตินิโรธคามินีปฏิปทาก็ถ้าเราตรึกพุทธคุณจริงๆนะพุทธคุณอย่างไรก็ต้องชี้ให้เราเห็นอริยสัจ ข้อแรกพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็เพราะละกิเลสยังไงก็เกี่ยวกับเรื่องอริยสัจสามมาสามพุโทโธก็ตรัสรู้อริยสัจวิชาจารณะสามปันโนก็อริยสัจนะสุขโตสุขโตมีสความหมาย 1. ไปตามไปสเสด็จไปตามอริยมรรคน ะ, สะเสด็จไปดีแล้วไปตามอริยมรรคไปสู่ที่ดีคือนิพพานนะได้สองสัจจะแล้วใช่ไหมแล้วข้อ3ปฏิบัติตามมัชชิมาปฏิปทาข้อ4มีวาทะจริงแท้นะทรงตรัส คำพูดของพระองค์นี้ไม่ต้องแก้ไขพระองค์ตรัสดีหมดเลยนี่ก็คือสุขโตสีความหมายก็อริยสัจอีกนั่นแหละโลกาวิทูก็อริยสัจอีกนั่นแหละอนุตตรก็สายอริยสัจอีกนั่นแหละนะปุริสธรรมสาระทีก็สอนเรื่องอริยสัจอีกนั่นแหละสาถาเทวมนุสานังสอนประโยชน์อย่างยิ่งก็สอนเรื่องอริยสัจพุทโธชื่อว่าพุทโธก็เพราะตรัสรู้อริยสัจพักวาก็คือจำแนกแกแงงเรื่องอริยสัจนั้นสรุปแล้วก็ถ้าตรึกพุทธคุณก็เกี่ยวกับเรื่องอริยยััั้้นนเล เจนทนเน่าน่าเจน<บ> น, น่าจำครับถ้าถ้าเรามีความเข้าใจนะแล้วท ร, รมานุสติอ่ะเตรรรมคูณอย่างเงี้ยสวาขาโตก็สวาขาโตก็ ต, ตรัดเรื่องอริยสัจอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้งหมดเลยนะพระไตรปิฎกทั้งหมดก็คือสอนเรื่องอริยสัจนั่นแหละสอนสัจจะนั้นสัจจะนี่แหละที่บุคคลศึกษาจนจบแล้วเนี่ยนะจะเป็นสันที่ที่โกรู้ได้ด้วยตัวเองอริยสัจนี่นะ อากาลิโกนทะอริยมรรคเกิดขึ้นอริยผลจะให้ผลไม่มีการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมะที่ควรเรียกให้มาดูได้เพราะเป็นของดีจริงๆแล้วก็โอปะณียโกควรน้อมจิตเข้าไปหาควรน้อมจิตเข้าไปให้ถึงเวทิตาโพวินยูหิตบอกว่าวินยูชนอุคติตันยูเป็นต้นจะพึงรู้ได้ด้วยตัวเองขนะองเราก็ได้ภาพ ป, ปริยติธรรมพอมองเห็นช่องทางก็เอาละใช่ไหม สุปฏิปันโนก็คือคนที่ปฏิบัติตามสวะขาโตนั่นแหละเรียกว่าสุปฏิปันโนอ่านเทระคถาเทริกถาจะเห็นว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติตามโอวาทอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาคอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยนั่นคือสุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อคําสอนไม่เอียนอ่าไม่เอียงไม่คดไม่โกงนะแล้วก็ท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้อริยมรรคทั้งหมดเลย ยายธรรมนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคและนิพพานนั้นท่านปฏิบัติเพื่ออริยมรรคและนิพพานท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านก็คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8ดบุรุษนั่นแหละสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะโดยสรุปเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยมากขึ้นนะแล้วพระรัตนตรายก็จะดึงให้เรายังไงก็ตามนะ อย่าลืมว่าพุทธานุสติเนี่ยถ้าเราเจริญพุทธานุสติจริงๆเนี่ยจะต้องไม่ลืมว่าพุทธานุสติสมุทัยนะพุทธานุสตินิโรธถ้าอ่านสติปัฏฐานบ่อยๆนะจะรู้ว่าสติเป็นทุกขสัตต์ปัญหาในการก่อนให้สติเกิดเป็นสมุทัยสัตต์อันสติจึงอยู่ในสายทุกขสัตต์นัทธรรมดาแต่สติที่เป็นมัทสัต์คือสติอยู่ที่อยู่กับอริยมรรคจิตนะสติเจตสิกที่เกิดร่วมกับ โสดาปฏิมักจนถึงอรหัตตมักสตินั้นเป็นมักขั์โดยสัจจะชั้นสูงแต่ว่าถ้าธรรมดาทั่วไปของพวกเราสติของเราเป็นทุกข์สัตต์แต่สติอันนี้ควรควรเจริญควรพอกพูนควรทําให้มากนั่นแหละแต่ก็ยังอยู่ในสัจจะอยู่ดีนะก็มั่นตรึกแบบนี้บ่อยๆเดี๋ยวก็เรียนเรื่องเดียวหมดเลยนะจาได้ว่าหลายปีแล้วยังไม่ได้เรียนเรื่องอะไรพิเศษเลยนั่นเนี่ยเรียนแต่เรื่องใหม่ไอ้เรื่องเก่าอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามา มาลงรายละเอียดเนื้อหาให้มันเป็นเชื่อมนะถ้าว่ารูปเอาเขียนรูปโครงคนได้แล้วลวามาแต้มตาๆๆแต้มหน้า <ๆ S 1> แต้มสีแต้มจมูกแต้มนั่นแต้มนี่ไปเรื่อยๆอยะนะก็อลังการเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจโครงสร้างแล้วก็รายละเอียดจะลึกซึ้งจะมากขึ้นมากขึ้นถามว่าการตึกคืออะไรการตึกก็คือการวิจัยครับถ้าไม่ตึกก็ขาดการวิจัยครับ ยิ่งตึกมากเป็นการวิจัยมากเราเห็นว่ายิ่งตึกเรายิ่งตึกขึ้มาในรายละเอียดวิจัยพบเหตุและผลอะไ ร, ะไรเยอะแยะเลยนะแต่ถ้าหากว่าบางท่านก็บอกเอ้นี่มันเป็นข้อปฏิบัติหรือเปล่าทีนี้เราก็เอาเหตุผลธรรมดามาถามว่าสิ่งที่เราคิดเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษถ้าเราคิดอย่างนี้ตึกอย่างนี้เราใกล้พระรัตนตรัยมากขึ้นไหมนะก็คําถามธรรมดาเลยมาตั้งถามเนี่ยนะเราใกล้พระรัตนตรัยมากขึ้นไหม เราเข้าใจพุทธคุณมากขึ้นใช่ไหมเข้าใจธรรมคุณมากขึ้นใช่ไหมเข้าใจสังฆคุณมากขึ้นใช่ไหมใช่ถ้าใช่เราเราปฏิบัติผิดตรงไหนใช่ไหมเราก็ก็ถามเองนะเราต้องมีเหตุผลให้ตัวเองหมดนะไม่ใช่ว่าเราทําโดยหลอกตัวเองเขาว่าดีก็ ด, กดีไปตามเข้าไปไม่ใช่นะเพราะว่านี้คือชีวิตของเราจริงๆเลยเพราะฉะนั้นอะไรคือคือสเสบียงทางของเรานั่นแหละจงทําสิ่งนั้นแหละแม้แต่ที่มาเรียนนี่นะถ้าหากว่ายอมมีสาระนะ ใจเป็นไปกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมีพระตนะตรายเป็นจริงๆก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเลยไปที่ไหนไม่อ้างธรรมาเนี่ยโอจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนั่นแหละไม่ได้ว่าต้องมาโอ้โหมาเรียนกับพระสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าทํำยังไงที่จะเข้าใจคําสอนมากที่สุดนั่นแหละนะบอกว่าใจใครก็รักษาเอากันแล้วกันพกุศลและจริงๆอยู่ที่ที่ไหนถ้าเราสามารถตรึกเป็นไปกับกุศลได้มากผู้ที่สามารถทําให้เราเป็นไปกับกุศลได้มากคือพระพุทธเจ้า ถ้าเรามีข้อมูลพระ อ, องค์มากเท่าไหร่พระ อ, องค์เนี่ยนะจะช่วยให้เราเป็นกุศลมากเท่านั้นถ้ามีความเข้าใจพระธรรมขนาดไหนนะพระธรรมจะช่วยให้เราเป็นกุศลถ้าเข้าใจสงสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆพระสงค์จะช่วยให้เราเป็นกุศลจริงๆนั่นคือที่พึ่งของเรานั่นคือที่พึ่งอันกเกษม ส, สูงสุดของสัตว์ทั้งหลายพ่อธรามาเองก็นับถือพระพุทธเจ้าเหมือนกันมันก็ถ้าหากว่าถ้านับถือเป็นบุคคลนะ สองคนเลยนะถ้าคนธรรมดากับพระพุทธเจ้านับถือสองคนเนี่ยนะไหนๆก็นับถืออยู่แล้วนับถือใครได้บุญมากกว่ากันใช่ไหมพระพุทธเจ้าได้บุญจังมากมายทําไมเราไม่คิดถึงพระองค์บ่อยๆแต่ว่าพระองค์นะถ้าเราคิดถึงพระองค์บ่อยๆเนี่ยนะก็คือการเจริญพุทธานุสติพระพุทธเจ้าไม่ปล่อยให้เราตกดาอย่างแน่นอนพูดถึงว่าการตึกขุนกุศลเนี่ยนะครับหรือว่า ที่เขาเรียกว่า <c oughs> เป็นเนกข ม, มวิตกนะหรือเป็นกุศลวิตกเนี่ยพระองค์ตัดไว้ตรงๆเลยนะบอกว่าพระองค์บอกว่าไอ้การตรึกแบบเนี่ยตรึกทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะให้ตรวจสอบและตรวจสอบอีกก็ยังหาโทษอะไรไม่เจอสักอย่างเลยเจตภาษ์ผู้พูดไปตรงๆอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นตรึกไปในเรื่องกุศลเนี่ยตึกไปยิ่งมากยิ่งดีแล้วก็ผมก็ไปขายนะความคิดนั่นนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้รู้เนี่ยชาวเขเมรเนี่ยนะเขาเป็นนักศึกษานะเขาฟังแล้วเขาได้เหตุได้ผลนะ ที่เขามานี่ยเขาได้ศรัทธาอย่างนั้นที่จะมาเชียงใหม่นี่นะครับมาพบท่านอาจารย์สมบัตินี่นะครับก็เพราะว่าเขาเห็นประโยชน์ ม, มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็เวลาเขาหมดอีกแล้วนะครับใครไม่มีปัญหาบ้าง